เราก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกทุกท่านแล้วก็โดยเฉพาะทั้งพระทั้งโยมด้วยนะที่ตั้งใจฟังพระธรรมกันเมื่อวานพูดถึงในเรื่องของการปรับเรื่องอ ป, ปนาโกสัน ล, ละเออไม่ใช่วันก่อนจ<ป>ะพูดถึงในเรื่องของการปรับในเรื่องของโพชงในเรื่องของอินสีอย่างนี้เป็นต้น ก็คืออยู่ในหมวดของอปนาโกศลสิบประการที่จริงในเรื่องของการปรับหรือการพิจารณาแยกแยะวันก่อนก็พูดถึงในเรื่องของความเพียรด้วยงความเพียรที่พูดถึงในเรื่องของการพิจารณาเห็นภัยในอบายภูมิเป็นต้น และ ก, การเห็นอานิสงของการบรรลุคุณวิเศษที่เป็นโลกิยะและโลกุตระโดยเนื่องด้วยความเพียรว่าคนเกียร์ค้านเนี่ยไม่อาจจะบรรลุคุณวิเศษทั้งสองอย่างนั้นได้คนมีมีวิริยะมีความแกล้วกล้าเท่านั้นจึงจะสามารถได้รับผลของความเพียรคุณวิเศษเป็นต้นเหล่านี้ได้เนี่ยนี่คือการปลูกเราคิดเพื่อให้เกิดความแกล้วกล้ า, าอาถาร การพิจารณาเห็นวิถีทางดําเนินอย่างนี้ว่าเราต้องดําเนินไปตามทางที่พระพุทธเจ้าพระปเจกพุทธเจ้ า, พ ร, จาพระมหาสาวกดําเนินไปแล้วและทางนั้นเนี่ยคนเกียจค้านไม่อาจจะสามารถดําเนินไปได้แล้วก็การยําเกรงในข้าวสุกด้วยการทําให้ทายกได้รับผลได้รับอดิสง์มาก น, นั้นหมายถึงการระดมความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ได้ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้ง ก็จะเป็นเหตุให้บุคคลที่อุปถัมภุปการะได้มาดูแลแล้วด้วยการที่นำธรรมะเข้าสู่กระแสชีวิตแล้วก็เพิ่มภูมินคุณธรรมอย่างยิ่งใหญ่ยิ่งยวดอย่างเนี้ยเป็นเหตุให้คนดูคนได้ถวายสการะทั้งหลายได้ผลได้อานิสงฆ์มากพิจารณาถึงความยิ่งใหญ่ของพระบรมศาสดาว่วาพระบรมศาสดาของเราตรัสสรรเสริญคุณของความปารับความเพียร คำสอนของพระ อ, องค์ไม่มีใครล่วงละเมิดได้ทรงมีอุปการะมากแกเราและเป็นผู้ที่เราบูชาอยู่ด้วยการปฏิบัติบูชาจึงจะได้รับการบูชาแล้วหาได้บูชาด้วยการประการอื่นไหมกา ร, ป, รปฏิบัติบูชาก็คือการระดมความเพียรระดมศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นนั่นแหละการพิจารณาถึงความยิ่งใหญ่แห่งมรดกอย่างนี้ว่าเราจะต้องรับมรดกันยิ่งใหญ่คือพระสัธรรม ก็หมายความว่าคนเกียจค้านไม่อาจจะรับมรดกหรือธรรมมรดกของพระบรมศาสดาเป็นต้นได้พระพุทธเจ้าตรัสในธรรมทายาสูตรที่บอกว่าอมิสธายาทกับธรรมทายาทแล้วก็บอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่าทำไหนหนอสาวกของเราจะเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอมิสทายาทถ้าเป็นพระภิกษุ ในฐานะที่เราเป็นาศาสนทายะชะของพระบรมศาสดาก็คือเป็นผู้ที่รับมรดกคือธรบมาบรดกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามรดกของพระเจ้ามีทั้งโลกิยะและโลกุตระสิณสมาธิปัญญาสติปัฏฐานสมะปทานอิทิบาทอินทรีย์พระโพชฌงกเรียมักที่เป็นไปในส่วนของโลคิยะทั้งหมดอันนั้นเป็นโลกิยะมรดก ศีล ส, สมาธิปัญญาที่ไปประชุมในอริยมรรคหรือสติปัฏฐาน4เป็นต้นที่ประชุมในอริยมรรคอริยผลเนี่ยที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อันนั้นเป็นโล ก, กุตระหรือธรรมะมรดกที่เป็นโล ก, กุตระฉะนันพระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นธรรมทาญาติก็คือนี่แหละฝึกฝนพัฒนากระแสชีวิตของตนเองเให้ดําเนินไปตามศีลสมาธิปัญญาเริ่มตั้งแต่โลกิยะธรรมะมรดกเพื่อจะเข้าถึงธรรมะ ที่เป็นโล ก, กุตระมรดกเป็นต้นการบันเทาถีนมิทะาด้วยการใส่ใจถึงอโรกคสัญญาการเปลี่ยนอียบทการหยุดในที่โล่งแจ้งเป็นต้นการหลีกเว้นจากคนที่เกียจค้านการคบหากับคนที่ปรารบความเพียรการพิจารณาผลของความเพียรก็คือโดยชอบก็คือในสัมัาประธานทั้ง4ี่น้อมจิตไปในวิริยสัมโพชงอย่างนี้เป็นต้นนะลักษณะอย่างเนี้ย ก็เป็นเหตุทําให้เราเ อ, อ, ออกจากความเกียจค้านเป็นต้นได้วันก่อนก็ได้พูดถึงในเรื่องของการขจัดสัญญาที่เป็นเหตุถึงความง่วงก็พูดไปแล้วการพิจารณาธรรมะการสาธยายธรรมการดึงหูทั้งสองข้างการใช้มือรูปตัวการล้างหน้าการมองดูทิศนั้นๆเห้ น, นดูดาวเป็นต้นการใส่ใจในโลกสัญญาและการเดินจงกรมนี่พูดไปแล้วในเรื่องของวิริยะ ทีนี้ประการต่อไปก็พูดถึงในเรื่องของธรรมะสิบประการที่เป็นไปเพื่อให้เกิดปิติปิติสมโพชงคนบางคนเนี่ยปิติเกิดยากมากเพราะเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยมีปิติไม่ค่อยมีความเข้มชื่นใจการที่จะทำให้ปิติเกิดขึ้นนะนะหลักการก็คือการพิจารณาการรละลึกถึงพุทธคุณ การระลึกถึงพระธรรมคุณการระลึกถึงสังฆคุณการระลึกถึงศีลที่บริสุทธิ์ของตนเองการพร่ำร ะ, ะลึกถึงทานที่ตนบริจาคแล้วระลึกถึงคุณธรรมของเทวดาอย่างนี้เป็นต้นน่ะลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าการระลึกเพื่อให้เกิดปีติสำโพชงแล้วก็ครั้งก่อนก็เลยพูดถึงในเรื่องของการเวลาใดควรข่มจิตเวลาใดควรยกจิตในรายละเอียดละเอียดก็ได้ได้พูดไปแล้ว แล้วก็การทำจิตให้ร่าเริงในเวลาที่ควรทำจิตให้ร่าเริงการวางจิตเป็นกลางในเวลาที่ควรวางจิตเป็นกลางการหลีกเว้นจากคนที่ไม่มีสมาธิคข้าากับคนที่มีสมาธิอันนั้นลักษณะที่จะฝึกทำให้สมาธิสมโพชงเกิดขึ้นทำสมาธิสำโพชงให้เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นทีนี้อีกอย่างหนึ่ง ที่จะพูดถึงรายละเอียดอีกนิดหนึ่งก็คือว่าการที่จะน้อมจิตเพื่อให้ได้กำลังของสมาธิเนี่ยก็หมายความว่าการที่บุคคลที่จะฝึกจิตของตนเองแล้วก็เพียรพยายามในการที่จะทำให้จิตของตนเองเนี่ยเข้าถึงความแนบแน่นหรือเข้าถึงความเป็นกุศลได้อย่างแข็งแรงและก็ตั้งมัน่นสำคัญที่สุดก็คือว่า อย่าทอดทิ้งความเพียรในคาถาหนึ่งในคำสอนนั่นบอกว่ามีผลนั่นคื อ, คอเมื่ อ, อ, อสมาธิเกิดขึ้นผู้นั้นพึงเพียรปฏิบัติบำเพ็ญรักษาสมาธิด้วยความชานฉลาดเมื่อเธอปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าหากสมาธิยังไม่เกิดแม้เช่นนั้นน่ะ ผู้เพียรปฏิบัติที่มีปัญญาไม่ควรจะทอดทิ้งความเพียรจงเพียรพยายามต่อไปเวลาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันจะมีความท้อไประยะระยะระยะเนี่ยหรือการขวนขวายในการทำความดีทุกอย่างเนี่ยอย่าอย่าท้อเพราะคนที่ทอดทิ้งความเพียรโดยชอบเนี่ยจะไม่อมีโอกาสได้บรรลุ ค, คุณวิเศษฉะนั้นคนที่หดหูท่ท้อถอยอ่ะ ไม่สามารถจะประสบความสำเร็จได้ผู้มีปัญญาสังเกตลักษณะที่จิตดำเนินไปควรปรับก็หมายก็ว่าระหว่างวิริยะกับสมาธิต้องให้ได้ดุลยภาพผู้ที่เพียนปฏิบัติประคองจิตที่หดหู่ไม่เล็กน้อยขึ้นและควรห้ามจิตที่ปรารบความเพียนมากเกินไปแล้วก็ประคองจิตให้สม่ำเสมอไม่ตึงและไม่หย่อนนักท่านเลยยกตัวอย่างบอกว่าพฤติกรรมของแมลงพึ่ง เป็นต้นในเกรสรดอกไม้ในใบบัวในในไม้เป็นต้นท่านก็บอกว่าอย่างนี้มแมลงพึ่งเนี่ยเวลามันจะบินไปเอาเกรสรดอกไม้เนี่ยมแมลงพึ่งที่งโงนะ่ที่งโง่เนี่ยรู้ว่าดอกไม้ที่ต้นไม้นั้นนั่นบานแล้วพอรู้อะรู้ข่าวว่าต้นไม้มันดอกไม้มันบานมาแมลงพึ่งที่ไม่ฉลาดมันก็จะบินไปด้วยความรวดเร็เว พอบินไปด้วยความรวดเร็วเนี่ยจัดเมื่อบินไปด้วยความรวดเร็วอย่างนี้แล้วเนี่ยมันบินเลยเบรกไม่อยู่วิ่งอย่างเต็มที่บินปื๊ดเต็มที่เลยรนั่นวิ่งเลยไปเลยว่าไงโอ้โหมันเลยไปไกลเพราะด้วยความแรงการบินวันเนี่ยมันก็ต้องวกลับทีนี้การที่วกลับมาย้อนกลับมาเนี่ยไอตัวเกสรดอกไม้เนี่ยมันมันมีนิดเดียวเนี่ย พอถูกแสงอาทิตย์แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หมดแล้วไม่ทันซะแล้วเนี่ยไม่ทันซะแล้วนี่นี่นมแมลงพึ่งประเภทหนึ่งมแมลงพึ่ ง, งโง่อีกตัวหนึ่งไอ้กลุ่มนี้ไม่ได้บินแล้วบินช้าไอ้ตัวนี้บินช้ามันบินเอื่อยๆเอื่อยๆไปเนี่ยเอาแสงอาทิตย์ขึ้นมาไอ้ตัวเกสรดอกไม้มันแห้งแล้วก็เลยไม่ได้กินเกสรไม่ได้ไปดูดเกสรดอกไม้อีก ก็บาน้ำก็หมดไปท่านจะบอกอย่าทาเหมือนพึ่งโง่ที่เร็วเกินไปหรือช้าเกินไปแต่ให้ทําเหมือนแมลงพึ่งที่ฉลาดบินไปด้วยความเร็วที่พอดีจึงไปถึงพวงดอกไม้ได้ง่ายแล้วก็เขาเอาเกรสรดอกไม้เท่าที่ต้องการแล้วก็ปรุงเป็นน้ำพึ่งแล้วก็ย่อมจะได้ริมรสของน้ำพึ่งแม้ฉันใดผู้ปฏิบัต ผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันเวลาที่จะทำฝึกฝนพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เกิดธรรมะขึ้นในใจเนี่ยอย่าเร่งรีบจนเกินไปเหมือนพึ่งที่มันบินเลยและอย่าช้าจนเกินไปเหมือนพึ่งที่ไปไม่ทันเกสรดอกไม้แต่ให้ไปด้วยชานฉลาดในที่นี้หมายความว่าเวลาจะประพฤติปฏิบัติเนี่ยให้ปัญญานา ไม่ใช่เอาความเพียรถ้าปัญญานำก็แปลว่ามันเห็นเห็นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็นำไปตามความรู้ความเห็นนั้นอย่างนี้เป็นต้นความเพียรขาดไม่ได้แต่ต้องให้ปัญญาเป็นตัวนาอย่างนี้เป็นต้นอุปมาอีกอุปมาหนึ่งก็บอกว่าอุปมาเหมือนสิทธิ์ของสัญญาแพทย์ที่ผ่าตัด ศึกษาการกรีดมีดที่ใบบัวที่ลอยอยู่ในถาดก่อนคนโง่รีบกรีดมีดลงจึงตัดใบบัวขาดเป็นเป็นสองเสียงหรือทะลุไปในน้ำอีกคนหนึ่งก็โง่ไม่กล้ากรีดมีดลงที่ใบบัวเพราะเกรงใบบัวจะขาดหรือมีดทะลุไปที่น้ำส่วนสิทธิ์ที่ฉลาด แสดงการกรีดมีดลงที่ใบบัวนั้นด้วยความเพียรพยายามที่พอดีไม่เร็วนักไม่ช้านักจัดว่าเป็นผู้เรียนรู้ศิละปะในการผ่าสาเร็จทำงานในตําแหน่งเช่นนั้นย่อมได้รับย่อมได้รับผลสำเร็จในการผ่าตัดไม่ใช่ชั้นใดลักษณะนี้ก็เหมือนกันบุคคลที่ปารบความเพียรเนี่ยการที่จะประคองจิตให้จดจ่อ หรือประคองความเพียรให้จดจ่อแก่สมเพื่อจะทำให้สมาธิตั้งมั่นเกิดขึ้นต้องชานฉลาดเหมือนกับคนที่ฝึกในการผ่าตัดใบบัวบนถาดน้ำอย่างนี้เป็นต้นส่วนอีกอุปมาหนึ่งอุปมาเหมือนกับพระราชารับสั่งว่าผู้ที่ชักใยแมลงมุมยาวสี่วาจะได้รับทรัพย์สมัยก่อนก็เรียกว่าสี่พัน 4 0 0พันเหรียญเนี่ยนะไอ้บุรุษโง่คนนั้นรีบชักใยแมลงมุมใหญ่เลยเนี่ยใยแมลงมุมชักป๊บ๊ บ, บก็ทำให้ใยแมลงมุมนั้นขาดไปในที่นั้นนั้นไอ้บุรุษโง่อีกคนหนึ่งไม่กล้าใช้มือจับเพราะเกรงจะขาดก็เลยไม่ได้ผลสำเร็จหนึ่งชักใยเกินไปสองชักเร็วเกินไปสองไม่กล้าจับกลัวใยแมลงมุมจะขาดส่วนบุรุษที่ฉลาดใช้ซีไม้เล็ก ไปซี่ไม้เล็กๆเอาไปพันตั้งแต่ปลายแล้วก็ชักมาด้วยความเพียรพยายามสม่ำเสมอก็ประสบความสำเร็จก็สามารถที่จะชักใยแมลงมวมได้สี่วาแล้วก็ได้รับรางวัลที่พระราชาทร ง, งให้ทำแม้ฉันใดการปฏิบัติเนี่ยถึงวาระแห่งการที่จะฝึกจิตให้เป็นสมาธิจริงๆจังๆขึ้นมาเนี่ยอย่างยกตัวอย่างการดูลมหายใจเข้าแล้ลมหายใจออก โอ้ยต้องมีความพิถ ی, พีพิถันเพียรพยายามจดจอ่จอไม่รีบเพ่งจนเกินไปไม่ใช่หย่อน án, ยานจนเกินไปเร็วจนเกินไปต้องมีความพอดิบพอดีลมที่หายใจออกลมที่หายใจเข้าเนี่ยลมที่หายใจออกใจเข้าก็มีความพอดีในการเข้าในการออกจิตที่ไปกาหนดที่มีสติในการกาหนดก็มีการพ อ, พอดิบพอดี ไม่เร่งรีบจนเกินไปไม่ช้า ก, กว่าลมจนเกินไปเนี่ยสามารถจัดเก็บได้ทุกขั้นตอนนี้เป็นต้นอุปมาอีกมันเหมือนกับนายท้ายเรือแล่นเรือนายนท้ายเรือโง่กลางใบเรือเต็มที่ในเวลามีลมแรงย่อมทำเรือให้แล่นไปผิดที่หมายนายท้ายเรือที่โง่อีกคนหนึ่งลดใบเรือลงในเวลาที่มีลมอ่อนก็ย่อมจอดเรือไว้ตรงที่นั่นแหละ เรือก็ไม่สามารถที่จะแล่นไปได้ส่วนคนฉลาดกางใบเรือเต็มที่ในเวลามีลมอ่อนๆลดใบเรือลงครึ่งหนึ่งในเวลาที่มีลมแรงย่อมไปถึงที่หมายโดยสวัสดีได้แม้ฉันใดนี่เขาเรียกความชาญฉลาดในการที่ประคองจิตให้ตนเองเป็นสมาธิก็ต้องมีความว่าเออตอนนี้ควรจะเร่งความเพียร ตอนนี้ควรจะลดความเพียงตอนนี้ควรจะให้สมาธิเด่นตอนนี้ควรจะให้ความเพียนเด่นยังไงหรือปรับให้ได้ดุลยภาพยังไงเนี่ยนี่เขาเรียกว่ามีจังหวะในการกระทาอีกอุปมาหนึ่งเขบอกว่าเหมือนอาจารย์บอกสิทธว่าผู้ใดกรอกน้ำมันเต็มขวดไม่ให้หกคนคนนั้นจะได้รับรางวัลสิทธโง่คนหนึ่ง อยากได้รางวัลรีบก อ, อกลงไปให้เต็มทําให้น้ํามันหกนี่รีบร้อนน้ํามันก็หกไม่ลงไปในขวดสิ่งโง่คนหนึ่งไม่กล้าจะก อ, อกเพราะกลัวน้ํามันจะหกงงเงินเงินมือสั่นอันนี้ก็ไม่ได้ประสมส่วนคนฉลาดกร อ, อกให้เต็มด้วยความเพียรพยายามสม่ําเสมอก็ได้รับรางวัลอันนี้ก็เป็นผู้มีความเพียรที่สร้างสรรค์ฉะนั้นก็คือว่า การอุปมาอุปไมยอย่างนี้เพื่อให้เห็นให้เห็นความการกระทาที่ติดต่อและต่อเนื่องภิกษุรูปหนึ่งก็ฉันนั้นท่านก็เล่าให้ฟังว่ามีพระรูปหนึ่งเวลาปฏิบัติไปปฏิบัติไปเริ่มตั้งแต่นิมิตเกิดเป็นบริกรรมนิมิตเปลี่ยนแปลงเป็นอุกานิมิตสมาธิแล้วะก็เป็นปฏิภาคนิมิตแล้วโอ้โหพอได้ปฏิภาคนิมิตแล้วเนี่ย พอนิมิตเด่นชัดขึ้นใสขึ้นสะอาดขึ้นโอ้โหเต็มที่เลยเดีเยวนี้เอาละเราจะได้สมาธิสูงสุดในวันนี้แหละทุ่มเต็มที่อย่างหนักหมายใจว่าเราจะต้องทำอั ป, ปนาจิตที่แนบแน่นสมาธิที่แนบแน่นให้เกิดขึ้นจนได้จิตของเธอก็เลยตกไปในฝ่ายฟุ้งซ่านเลยเนี่ยแปลว่าเร่งเกินเหมือนเหมือนพึ่งเหมือนพึ่งที่งโง่บินเต็มที่เลย หรือเหมือนกับการชักใยแมลงมุมเต็มที่หรือเหมือนกับกลางเรือกลางเรือใบเต็มที่ในเวลาที่ลมลมแรงวิ่งพวดไปเต็มที่เลยเนยีฟุ้งเลยนี่ก็เรื่ปารบความเพียรมากเกินไปจึงไม่อาจจะบรรลุสมาธิระดับสูงได้เนี่ยเขาเรียกว่าเพียรมากเกินไปว่ามุ่งมั่นเกินไปเห็นไหมกลายเป็นว่า ทุ่มสุดตัวจนเกินไปก็เรียกว่าเลยฟุง้งไปเลยแต่เนี้ยสมาธิแตกนิมิตหายโอ้โหพังเลยทีเนี้ยสมาธิแตกไม่พอนื่อพรฟุ้งซา่านแล้วสมาธิแตกปุ๊บนิมิตที่เคยได้หายเกลี้ยงเลยแตเนี้ยนี่นีนี่เขาเรียกว่ามากเกินไปอีกรูปหนึ่งเห็นโทษในการปาราลบความเพียรมากเกินไปทอดทิ้งความเพียรโดยตำหนิว่า ความเพียรที่บรรลุสมาธิในระดับนี้ได้จะมีประโยชน์อะไรแกเราว่างั้นเดเฮ้ยไม่ต้องไปปลาลบอะไรเยอะแยะหรอกค่อยเป็นค่อยไปเพราะไปะหย่อนอย่างนี้ปุ๊บจิตก็เลยตกไปฝ่ายความเกียดค้านเกียดค้านเลย น, นี่หดหูเพราะหย่อนความเพียรเกินไปก็ไม่อาจจะบรรลุสมาธิระดับสูงได้ส่วนภิกษุที่ปดเปื้องภาวนาคือ จิตที่หดหูเล็กน้อยออกจากภาวะที่จิตหดหูแล้วก็ปลดเปลื้องความฟุ้งซ่านออกจากภาวะที่จิตฟุ้งซ่านประคองภาวนาจิตประคองสมาธิประคองความเพียรประคองศรัทธาเป็นต้นเหล่านี้ส ป, ประคองสติให้มุ่งต่อหน้าตัวนิมิตที่กำลังปรากฏประคองอย่างติดต่อและต่อเนื่อง ด้วยความเพียมสม่ำเสมอไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปในที่สุดก็บรรลุสมาธิระดับสูงอัปนาเป็นต้นได้ฉะนั้นผู้เพียรปฏิบัติควรเป็นเช่นกับภิกษุที่ชาญฉลาดหมายเอาว่าพฤติกรรมของแมลงพึ่งเป็นต้นในเกสรดอกไม้ในใบบัวใยแมลงมุมเรือและขวดน้ำมันเนี่ยในเนี้ย ผู้เพียรปฏิบัติทั้งหลายเหล่านี้ที่ยกอปปามาอย่างนี้เพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบในการที่เราท่านทั้งหลายที่จะมาประคองใช้ความเพียรในการประคองจิตของตนเองผู้เพียรปฏิบัติก็ควรเปลื้องจิตก็คือภาวนาจิตออกจากภาวะที่จิตหดหูและฟุ้งซ่านแล้วก็ประคองให้เดินเนินไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอฉะ น, นั้นนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ที่นี้เอาละเมื่อเพียรปฏิบัติอย่างนั้น ประคองศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นประคองจิตนมุง่งสู่กปฏิภาคอนิมิต ท, ที่กำลังปรากฏเนี่ยโวนะจิตมโนทวารละวัชนะเป็นต้นน่ก็ตัดกระแสผวังในที่สุดจริงๆก็แล่นขึ้นสู่วิถีจิตที่แข็งแรงและมั่นคง ท่านก็บอกว่าสามารถที่จะบรรลุระดับอปนาจิตเป็นต้นได้ทีนี้ถามว่าในบรรดาวิถีจิตอันนี้อาจจะเข้าใจายากนิดนึงนะเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องว่าว่าเวลาวิถีจิตที่เป็นกุศลชาวนะที่เป็นกาเมวจรที่กําลังจะเป็นสมาธิระดับอุปจาระที่ตั้งมั่นในปฏิภาครธรมิสแล้วจะปรับเปลี่ยนจาก อุปจาระกลายเป็นอปนาชาวนะเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นอปนาจิตที่มีความแนบแน่นเขาก็จะเริ่มจากว่าหลังจากวิถีจิตแล่นไปตามลาดับมันจะเป็นมนโนทวารละชนะน้อมจิตไปที่ตัวปฏิภาคนิมิตนั้นหลังจากนั้นจะเป็นปริกรรมะไอปริกรรมก็คือการเริ่มปรุงแต่งเพื่อให้ได้อปนา ตอนนั้นยังไม่เป็นอัปปนาเนะี่ยเป็นเพียงแคเออ่เป็นเพียงแค่อุปจาระมหากุุสที่เป็นชาวนานะั้นเป็นเพียงแค่อุปจาระเพราะอุปจาระเกิดขึ้นที่เรียกวปริกรรมะเนี่ยแปลว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อจะทำอปปนาจิตคือความแนบแน่นในเกิดขึ้นก็ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปพะต่อมาเป็นอุปจาระอุปจาระ โวนะนั่อยู่ ใ, ใกล้กอปนาะเพราะดำเนินไป ใ, ใกล้กอปนาะเปรียบดังสถานที่ใกล้หมู่บ้านเป็นต้นถ้าสถานที่ใกล้หมู่บ้านเ็าเรียกว่าคาหมู่ประจาระที่ใกล้หมู่บ้านถ้าณครูประจาระก็แปลว่าที่ใกล้เมืองถ้าอุปจาระก็แปลว่าใกล้อปนาให็นไหมสับนี้ความหมายนี่แปลว่าใกล้อปนาชวนะใกล้อปนาจิตใกล้อปนาสมาธิใกล้ชานจิต ระดับแนบแน่นบุคคลที่ได้อุปจาระแล้วมีปฏิภาคคนิมิตแล้วเนี่ยหลายคนก็มักจะไปเข้าใจผิดบางคนได้แค่อุปจาระมีปฏิภาคคนิมิตเป็นอารมณ์ไม่ว่าเป็นปัทวีกสินอาโปกสินเตโชวาโย ο, หรือบางทีกําหนดลมหายใจเข้าออกที่ได้นิมิตได้แสงสว่างแล้วเนี่ยแต่ได้ความที่สมาธิน่ะแนบแน่นตั้งมัน่นพอสมควรนิวรธรรมเนี่ยสงบระงับ จิตใสสะอาดขึ้นมาเบียเสร็จปุ๊บเนี่ยสามารถเข้าสมาธิได้นานๆเนี่ยก็เลยสำคัญว่าอุปจาระนี้เป็นอัปนาเป็นฌานจิตหลายคนก็ระดมไปจุดอื่นเลยว่าเอาแล้วได้แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าจะได้หรือไม่ได้จะเป็นฌานจิตจริงหรือไม่จริงนั้นต้องมีวิธีการสังเกตยังไงเดี๋ยวตรงนี้ให้ให้ตรงนี้เดี๋ยวอธิบายตรงนี้ไปก่อนทีนี้หลังจากอุปจาระเสร็จ ที่เป็นตัวชาวนาแล้วขณะต่อไปเขาเรียกว่าอนุโลมอนุโลมเนี่ยเพราะอะไรเพราะเกื้อกูลแกบริกรรมนาน า, นาวัชนวถีคือวิถีที่มีอาวชนะต่างๆกันซึ่งอยู่ในหน้าเอกาวัชนะวสีก็คือวิธีที่มีอาวชนะจิตดวงเดียวกันนี่แหละเกื้อกูลแกอั ป, ปนาเหมือนกันที่จะเกิดขึ้นต่อไปอนุโลมเพื่อจะทำให้อั ป, ปนาเกิดขึ้นก็ได้นะ อนุโลมเนี่ยย้อนก็ได้อนุโลมเพื่อจะให้เกิดอัปปนาก็ได้ออนุโลมเนี่ยแปลว่าย้อนกลับหลังเพื่อจะออปรุงแต่งทำศรัทธาวิริยสติสมาธปิปัญญาทั้งหลายเนี่ยให้มีความแข็งแรงและมั่นคงในการที่จะดำเนินไปต่อเพื่อให้ถึงอัปปนาก็ได้ปรุงแต่งอันหลับแรกก็เรียกปริกรรมปรุงแต่งเพื่อให้อัปปนาเกิดขึ้น ชาวนะขณะต่อมาก็เรียกอุปจาระก็ปะแปลว่าอยู่ใกล้กับอัปนาแล้วพอดาเนินไปเริ่มจะเริ่มจะเข้าถึงอัปนาชาวนะอัปนาจิตประการต่อมาก็คืออนุโลมเนี่ยอนุโลมก็คือจะโน้อมเอาอัปนาให้เกิดขึ้นหรือย้อนเพื่อทําปรุงแต่งเพื่อให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเกื้อกูลเกื้อกูลก็หมายเช่นใน อนุโลมในที่นี้เป็นการอนุโลมเพื่อเกื้อกูลแก่บริกรรมในวิถีทั้งหลายก็คือถ้ามองดูก็คือว่าเหมือนการที่ไปย้อนกลับไปก็ได้ย้อนกลับไปเพื่อไปไข้ครวนขึ้นมาใหม่ก็ะดาเพื่อไขครวนขึ้นมาใหม่บางทีเราเรียกอนุโลมบางอย่างนะเช่นบางทีอนุโลม ย้อนกลับหลังก็ได้อย่างตัววิปัสนาญาณหรือตัวปัญญายาณทั้งหลายเหล่านี้เวลาเราอนุโลมย้อนกลับไปสมมติขึ้นไปอยู่ที่สูงแล้วแล้วก็อนุโลมลงมาใหม่มาพิจารณาตั้งแต่แรกๆขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดความแข็งแรงและมั่นคงขึ้นให้มีความชานิชนานาญขึ้นอย่างนี้ก็ได้เป็นไปตามลำดับหนึ่งสองสามสี่ห้า อันนี้แปอนุลมเพื่อเกื้อกูลแก่บริกรรมในนานาวัชนะวสีวิธีที่มีอวัชนะจิตต่างๆกันและมีวิธีที่มีอวัชนะจิตดวงเดียวกันและเกื้อกูลและเกื้อกูลอ ป, ปนาที่จะเกิดขึ้นต่อไปอันนี้แปลว่าเป็นการปรุงหรือหมุนบงแตงประการต่อมาคือโคตรภูโคตรภูเนี่ยเป็นชาวนะเหมือนกันเป็นชาวนะสุดท้ายมันจะมีปริกรรมโอปจาละอนุลม พอถึงโคตรตะภูเนี่ยแปลว่าเขาจะข้ามแล้วข้ามจากกามละจากกามลาภีบุคคลเห็นไหมกาล ม, มาวาจรเนี่ยจะกล้ามจากกาล ม, มาวาจรหรือกาล ม, มาวาจรชะวนะเนี่ยเพื่อจะเข้าสู่ความเป็นมหาคติชนะเห็นไหมเนี่ยตอนนี้ก็จะข้ามหรือจะข้ามจากความเป็นกามลาภีบุคคลเข้าถึงเป็นชานลาภีบุคคลหรือเป็นกามลมาบุคคล อย่าลืมนะคนที่เป็นคนที่ยังไม่ได้ฌานนะจิตเขาเรียกว่าบุคคลที่ยังเป็นกามว่าบุคคลอยู่เป็นบุคคลที่ยังอยู่กับกามมคุณยังกามฉันท่าพยาบาททีนมิท่อุทเทจักกุกุเจวิจิกิจฉานี้กุ้มรูปอยู่เขาเรียกเป็นกามกามลาพีบุคคลเป็นบุคคลที่ยังอยู่กับกามมคุณกามมาภูมิกามชานะ เป็นอยู่ในในใ น, ในสภาพจิตที่ยังอยู่ในกามาธรรมอยู่แต่ถ้าคนฝึกจิตของตนเองให้เข้าถึงความแข็งแรงใสสะอาดแล้วก็ตั้งมั่นมากขึ้นจนถึงโคตรภูเนี่ยไอโคตรภูเขาเรียกข้ามขนาดจิตนั้นเพื่อจะข้ามไปสู่ความเป็นชาลลาพีบุคคลจากกามชาชนะหรือกามาวจรก็สู่มหาคตาเฉนะหรือเป็นอัปนาเวนะระดับปฐมฌานเป็นต้น ถ, concludes. ถ้าเป็นคนที่เจริญวิปัสนาญาณก็มีตัวโคตรภูญาณเหมือนกันไอโคตรภูเหล่านั้นข้ามจากปุถุชนเข้าสู่ความเป็นอริยะก็แปลว่าข้ามโคตรเหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าข้ามโคตรจากการมบุคนเป็นฌานราพีบุคคลนี้เป็นต้นเมื่อสักครู่เนี่ยที่เรียกว่านานาวัชนะวิถีก็คือวิถีที่มีอาวชนาจิตต่างกันกับอปัปนาหมายความว่า ในวิถีจำนวนมากที่เจริญภาวนาเพื่อให้บรรลุฌานน่ก่อนจะบรรลุฌานนั้นก็จะมีอาวชนะจิตเกิดขึ้นมากมายตามวิถีจิตต่างๆอาวัชนะจิตของอัปนาชาวนะที่นับเข้าในอัปนาวิถีเป็นคนละคนละดวงกันภาวนาวิถีก่อนจะบรรลุฌานก็มีอาวชนะต่างกันอาวชนะเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นตัวมโนทวารวชนะเนี่ย ก็เป็น <palm> ตัวอาวชนะที <breakdown> ่จะทําให้จิตเกิดขึ้นคือตัวอาวชนะบางอย่างทําให้จักขูวิญญาณเกิดขึ้นอาวชนะบางอย่างทําให้การเห็นเกิดขึ้นอาวชนะบางอย่างทําให้การได้ยินเกิดขึ้นอาวชนะบางอย่างทําให้การรู้กลิ่นการลิ้มรสการคิดนึกเกิดขึ้นเขาเรียกอาวชนะคือการน้อมจิตไปเพื่อจะเห็นจะได้ยินหรือจะการจะคิดนึก หรือน้อมจิตไปเพื่อจะให้ได้สมาธิอะไรก็แล้วแต่อาชอาวอวชนะนี้มากมายอาวชนานี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ได้หมายถึงตัวที่อยู่ในอหติกจิตแต่ว่าฉะนั้นก็คือตัวอาวชนะนั่นแหละนะแต่เขาเป็นตัวต้นของวิถีจิตนะนะนะอาวชนะอย่างยกตัวอย่างเช่นตัวอาวชนะที่จะทําให้ชวนะจิตเกิดขึ้นเนี่ยเช่นตัวชวนะในการที่จะไปรู้ เรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยตัวอวชนาตรงนั้นก็คือการพิจารณาอารมณ์หรือการมนานสิการอารมณ์นั้นๆการใส่ใจในอารมณ์นั้นๆเช่นกรณีที่คนจะโลภจะโกรธจะหลงต้องอาศัยอวชนะคนจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็ต้องอาศัยตัววชนะอวชนะเนี่ยหนึ่งในนั้นเขาจึงเรียกว่าเป็นโยนิโสก็ได้อโยนิโสเขาเป็นต้นก็ได้ถ้าใส่ใจถูกทางถูกวิธีถูกอุบายปุ๊บกุศลจิตก็เกิดขึ้น ถ้าใส่ใจผิดทางผิดวิธีก็ อ, อกุศลก็เกิดขึ้นเขายัางเรียกว่านาน า, นาวัชนะวิถีก็คือว่าวิธีที่มีอวัชนะต่างกันกันกบอปนาในวิธีจิตจำนวนมากที่เป็นการเจริญภาวนาเพื่อ้บรรลุฌานนั้นก่อนฌานจะเกิดมีอวัชนะเกิดขึ้นมากมายต่างวิธีมากมายงนั้นต้องมานาสิการ์มากมายที่จะทำให้วิธีจิตต่างๆเกิดขึ้นทาให้ศรัทธาเกิดขึ้น อ ว, วชนะเพื่อทําให้ศรัท ธ, ธาเกิดขึ้นเพื่อให้ความเพียรเกิดขึ้นเพื่อให้สติเกิดขึ้นให้สมาธิเกิดขึ้นเพื่อให้ปัญญาเกิดขึ้นตรงนี้แหละอนุโลมพวกนี้ให้เกิดหมุนพวกนี้นให้เกิดเพราะบางทีเอ่ศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธาไม่พอขึ้นสู่จิตเป็นสมาธิไม่ได้ความเพียรไม่พอขึ้นสู่ไม่ได้ สติไม่แข็งแรงพอขึ้นสู่อัปปนาสมาธิไม่พอขึ้นไม่ได้ปัญญาไม่ถึงรอบรู้ไม่พอขึ้นสู่อัปปนาจิตเป็นต้นเหล่านี้ไม่ได้ฉะนั้นสิ่งต่างตงเหล่านี้เวลาอนุโลมเนี่ยต้องมาปรุงตัวนี้ขึ้นหป๊ดปื๊ปป ป, ปตรงนี้ปรุงแต่งเพื่อให้เกิดขึ้นอันนี้เรื่องยาวเยอะฉะนั้นคนที่ชาญฉลาดทั้งหลายก็จะสามารถอาวชนะหมายความว่าใส่ใจ ใส่ใจที่จะให้ตัวกุศลธรรมเกิดได้อย่างติดต่อและต่อเนื่องคนโง่คนไม่ฉลาดก็จะเป็นคนใส่ใจบาปเกิดได้ง่ายเช่นเรื่องไม่เป็นเรื่องสามารถคิดให้โกรธได้เลยเคยเคยเจอไหมเคยให ให้ความกำหนัดยินดีเกิดได้อย่างมากปุงแต่งวิตกเกิดได้ก็มากปงแต่งพยาบาทก็มากปรุงแต่งโมหะก็ได้ปุงแต่งความลังเลสงสัยก็ได้ปุงแต่งความฟุ้งซ่านก็ได้ปุงแต่งให้หดหู่เกิดก็ได้ทั้งหมดเหล่านี้มาจากอาวชนะที่ผิดแต่อนุโลมที่เป็นอาวชนะเนี่ยที่ว่าเกื้อกูลแก่บริกรรมในนานาวชนะวสีเนี่ยวิถีเนี่ยก็หมายความว่านานาวชนะวิถี วัชนะวิถีคือว่าวิถีที่มีอวชนะต่างกันกับอัปนาตอนนั้นยังไม่สามารถจะขึ้นสู่อัปนาได้ก็ต้องไปปรุงแต่งเหมือนรถจะขึ้นเนินหนึ่งนะเวลามันขึ้นขึ้นแล้วมันขึ้นยังไม่ได้ถอยไหมต้องถอยกลับไปใหม่ไหมถอยกลับไปใหม่แล้วก็ตั้งหลักใหม่แล้วก็หมุนว่าเลเร่งเครื่องวอร์มเครื่อง ให้ได้จังหวะในการที่จะวิ่งขึ้นเนินวิถีจิตกามาวาจารละเนี่ย ว, วิธีจะทำให้มีพลังวิ่งขึ้นสู่อัปปนาต้องมีอนุโลมโดยนีย้อนุโลม้วยนีย้ดึงใส่ใจแสดงว่าระบบของศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาไม่ได้ดุจยภาพอินรีห้าปรับได้ไม่ดี ต้องศรัทธากับปัญญาด้วยมั้ศรัทธามากไม่เป็นไรนะศรัทธากับปัญญาอย่างไรวิริยะกับความเพียรอย่างไรสติเป็นตัวปรับจริงๆมันปรับคุณธรรมอื่นอีกเยอะในสภาพจิตใ จ, ใจตรงนั้นเป็นการปรับเพื่อจะทําให้จิตนั้นมีพลังแข็งแรงและส่งขึ้นถึงอัปปนานี่ก็ต้องกลับมาหมุนหมุนหมุนหมุนแล้วส่งขึ้นไปให ม, ม่อย่างนี้เป็นต้น คือจริงๆตรงนั้นเน่ยการไอ้คำว่านานาวชนาวิถีเนี่ยเป็นวิถีที่เอาวัชนะที่มันต่างจากอัปนาก็หมายความว่ามันยังไม่เป็นวิถีเดียวกับอัปนาหรือยังไม่สามารถถึงเป็นแรงส่งถึงอัปนาได้ก็จึงต้องไปปรุงแต่งตัวอื่นจะก็ไปทําให้ ไปทําให้ตัวนามธรรมา ท, ทั้งหลายที่เป็นกุศลนะมีกําลังแข็งแรงได้ดุญยภาพได้มาชิมาได้สมถตาได้ดุญยภาพส่วนเอกาวัชนะวิถีคือวิถีที่มีอาวชนะเดียวกันกับอปนาก็หมายความว่าอาวชนะจิตของกามาวจร ช, ชวนะที่เรียกปริกรรมอุปจารานุรมและโคตะผูซึ่งเป็นวิถีเดียวกันน่ย อาวชนะจิตของอัปนาชาวนะกามาวจรชาวนะที่เป็นภาวนาจิตอันนับเข้าในอัปนาวิถีเกื้อกูลแก่บริกรรมภาวนาในวิถีจิตที่ต่างกันอยู่ข้างหน้าแล้วก็เกื้อกูลแก่อัปนาชาวนะจิตที่เกิดขึ้นต่อมาดังนั้นอนุโลมจึงเป็นชาวนะจิตที่เกื้อกูลแก่บริกรรมภาวนาในวิถีจิตที่ต่างกันที่เกิดขึ้นก่อนอนุโลมแล้วก็เกื้อกูลแก่อปนา ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในวิถีเดียวกันเป็นต้นด้วยเขาจึงมีทั้งไอตัวอนุโลมเนี่ยมีทั้งที่บอกว่ามีทั้งนานาวัชนาวิถีและมีทั้งเอกาวัชนะวิถีนานาวชนะวิถีเนี่ยก็อย่างที่บอกไว้แล้วก็คือไป ไม่ใช่เป็นวิธีเดียวกับอัปนาจิตตรงนี้อาจจะฟังยากนิดหนึ่งแต่ไปไปใส่ใจเป็นมานัิการใหม่ทําให้ศรัทธาเกิดขึ้นทําให้ความเพียรเกิดขึ้นทําให้สติเกิดขึ้นทําให้สมาธิทําให้ปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานะไม่ใช่ไม่ใช่เนะว่าการจะใส่ใจ ใ, ให้ศรัทธาเกิดขึ้น ย, ยังไงยังไงไงกระตุ้นให้ศรัทธาแรงขึ้นแรงขึ้นตั้งกระตุ้นให้ความเพียรแรงขึ้นกระตุ้นให้ปัญญาแรงขึ้น ให้มีกําลังให้อาหารให้อาหารของคุณธรรมเหล่านี้ให้ให้มีพลังขึ้นเมื่อสักครู่เวลาจะขึ้นไปแล้วยังไม่สามารถส่งถึงอั ป, ปนาชฉวนะเป็นต้นไดน้เมื่อทํานานาวัชาวนาวสีจนชํานาญเบ็ดเสร็จปุ๊บเอาละตอนนี้เราจะดิ่งขึ้นสู่อั ป, ปนาแล้วเมื่อจะดิ่งขึ้นสู่อั ป, ปนาตอนี้เป็นเอกาและเอกาวชาวนาวิถีเป็นกามชฉวนะที่อยู่ในวิถีเดียวกับอัปนาแล้ว ที่เขาเรียกว่ามนโนปริกรรมอุปจารอนุโลมและโคตรระพูดอย่นี้วิ่งแล่นไปแล้วพอโคตรโทตระพูดับปุ๊บถึงอัปนนาจิตนี่ชาวนะจิตที่เป็นเป็นอัปนนาชาวนะเป็นมหากตาชาวนะเกิดต่อทันทีเลยอันนี้แปลว่าส่งถึงฌานแล้วส่งถึงฌานนะจิตส่งถึงอัปนนาจิตแปบลบว่าสําเร็จผลได้ฌานนะเป็นจากกามราพีบุคคลเป็นชานราพีบุคคลอย่างนี้เป็นต้น อาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งสําหรับคนไม่มีพื้นฐานแต่พูดเพื่อให้เป็นกุศลสัญญาแก่ท่านทั้งหลายยังไงไอความเข้าใจตรงนี้ก็ได้ฝังเข้าสู่ในจิตใจของท่านทั้งหลายแล้วท่านท่านทั้งหลายจงภูมิใจว่าถึงไม่เข้าใจในวันนี้แต่แปลว่าเราได้มีฐานในการฟังตรงนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นบุญนะโอกาสในการที่จะฟังและให้เกิดโอ ถ้าปรารถนาอยากจะรู้รายละเอียดก็ต้องมาเขียนเขียนอะไรเขียนขึ้นบนกระดานให้ดูการเกิดขึ้นเนะียเขียนแผนที่เขียนวงจรทั้งหลายเลยนีย่เขียนวิธีจิตทั้งหลายเพื่อให้รู้ว่าเกิดขึ้นยังไงยังไงเป็นต้นเออมาถึงตอนนี้มีใครแทรกถามอะไรบ้างไหมมาเชิญนะ อ้าวไม่เป็นไรต่อบางคนฟังเรื่องศัพท์เรื่องภาษาเรื่องเรื่องหลายเล้่อนี้เนี่ย <c oughs> ตรงนี้ที่ต้องการพูดตรงนี้เพื่อเกิดความเข้าใจที่จริงมันไม่ได้ยากอะไรนะ <c oughs> อาการที่จิตปรุงแต่งอัปนาเนี่ย จ, จิตที่เริ่มปรุงแต่งอัปนาเพื่อให้เกิดขึ้น จ, จิตที่เป็นเครื่องปรุงแต่งอัปนาด้วยองค์ประกอบทั้งหมดอัน ม, มีความสม่ำเสมอของอินทรีย์ทั้งหมดเป็นต้นด้วยเกิดขึ้น จ, จิตที่เป็นไปในการใกล้ตัวอัปนา จ, จิตก็คือสมาธิหรือ จ, จิตที่เข้าไปใกล้อัปนาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้ทั้งหมดเหล่านี้เป็นตัวอุปจาระ เป็นต้นเหล่านี้นนะทีนี้เมื่อสักครู่พูดถึงในเรื่องของคำว่าโคตรภูเนี่ยจิตที่ข้ามโคดหรือข้ามพ้นจากฝ่ายกามจรกามวัจระเพื่อเข้าสู่ความเป็นมหาคตะเขาเรียกว่าเป็นจิตที่อยู่หน้าฌานนจิตหรือในในฌานวิถีเป็นต้นเหล่านี้หลักการตรงนี้ต้องการชี้ให้พวกเราได้เห็นถึงตัว กระบวนการการเกิดขึ้นของวิถีจิตเนาะการเกิดขึ้นที่จะยังอัปนาจิตอัปนาชนะหรือฌานาจิตเป็นต้นให้เกิดขึ้นการเกิดขึ้นของฌานหรือการเกิดขึ้นของสมาธิระดับฌานาจิตเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมันเกิดเพียงขณะจิตเดียวเท่านั้นเองด้วยพลังแห่งการเกิดขณะจิตเดียวเนี่ยเป็นเหตุทำให้นิวรธรรมนี่สงบราบคาบอย่างอย่างรุนแรงเลยราบคาบเลย ท่านอนปนาเวลาเกิดขึ้นช่วงขนาดจิตเดียวเนี่ยการกําหนดระยะการเนี่ยเร็วมากอันปนาจิตที่เกิดขึ้นครั้งแรกในขณะเริ่มบรรลุฌานมีขนาดจิตเดียวเนี่ยตัวเนี้ยเป็นเหตุให้บุคคลนั้นเขาเรียกว่าทักครั้งแรกในเขาได้บรรลุปฐมฌานได้บรรลุฌานในจิตตรงนั้นเขาเรียกว่าสังกัดจากกามและอกุศลธรรมแล้วเข้าถึงปฐมฌานอยู่ ประกอบไปด้วยวิตกวิจารปิติสุขอันเอกคตาอันเกิดจากความสงัดเธอได้บรรลุ ป, ปรมฌานจะมาจากกสินสิบหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะมาจากลักษณะของการที่บำเพ็ญานาปานาสติเป็นต้นเหล่านี้ ตรงนี้ท่านบอกว่าสงัดจากกรรมและอกุศลรรธรรมเข้าถึงปฐมฌานอยู่ประกอบไปได้วยวิตกวิจารมีปีติสุขอันเกิดจากความสงัดถ้าใครไปอ่านในพระไตรปิฎกจะเจอคํานี้เต็มไปหมดเลยเวลาบุคคลที่ได้ปฐมฌานเนี่ยที่บอกว่ากิเลสกามไม่มีอยู่ในขณะที่บรรลุปฐมฌานอยู่นั้นเพราะกิเลสกามเนี่ยความยินดีความพอใจเนี่ย คือโลภะเนี่ยก็ถูกกำลังของตัวฌานแกิจิตข่มเรียบร้อยแล้วส่วนวัตถุ ก, กรรมก็คือสิ่งที่บุคคลยินดีพอใจคือกรรมบุคลได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสปวดพลาสเนี่ยและสัมผัสเนี่ยองธรรมก็คือว่าธรรมะที่เป็นไปในภิทั้งสมเป็นต้นเหล่านี้ถามว่ากรณีที่กิเลสก ร, รมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อฌานนั้นแน่นอน เมื่อกิเลสกรรมยังมีอยู่ปฐมฌานก็เกิดไม่ได้ฉะนั้นบุคคลที่ได้ปฐมฌานตัวกิเลสกรรมเหล่านี้จึงสงบราบคาบเปรียบเสมือนแสงประทีบไม่มีเมื่อยังความมืดและการบรรลุปฐมฌานนั้นก็ไม่มีเพราะการสละกิเลสกรรมเหล่านั้นเหมือนการละฝั่งนี้ไปถึงฝั่งโน้นถ้าตรงนี้ต้องเชื่อเห็นว่าถ้า กิเลสเกิดอยู่การบรรลุฌานก็มีไม่ได้แต่เมื่อบรรลุฌานนจิตปฐมฌานเป็นตัน้งเหล่านี้กิเลสกามทั้งหลายเหล่านี้ก็สงบระงับไปในขณะนั้นพระพุทธเจ้าต ร, าตรัสตรงนี้บอกว่าภิกษุทั้งหลายบอกว่าพูดถึงในเรื่องของคําว่าปฐมฌานนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากกามทั้งหลาย ปฐมฌานเป็นเครื่องสลัดออกจากกามทั้งหลายทีนี้ในสัพท์หนึ่งที่ท่านใช้คำว่าวิเวกวิวิจจะสงัดแล้วเนี่ยวิเวกมีอยู่สามอย่าง 1. กายวิเวก 2. จิตวิเวก 3. วิคและวิคัมพนะวิเวกอันนี้ไม่มีสมุทเฉทวิเวกนะพูดถึงในเรื่องฌานก่อนแต่ทางควิเวกเนี่ย หมายถึงอะไรแต่ทางควิเวกหมายถึงสงัดด้วยองค์นั้นๆคือการเจริญวิปัสนาญาณการที่มีปัญญาไปพิจารณาเห็นรูปนามโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาเป็นต้นแล้วพิจารณาด้วยความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเป็นต้นเหล่านี้ยกิเลส ก, ก็จะหลุดเป็นระยะระยะระยะระยะอันนั้นเรียกแต่ทางคขวิเวกสงบได้ด้วยองค์นั้นนั้นส่วนวิขำพนะวิเวกเนี่ยสงัดได้ด้วยการข่มไว้นั้นบุคคลที่ได้ปฐมฌานเป็นต้น ก็จะสามารถข่มนิวรธรรมนะีข่มนิวรธรรมมีความยินดีความติดใจฝ่ายะสันเป็นต้นเหล่านี้จิตก็จะหลุดจากกิเลสเหล่านั้นได้เนี่ยด้วยการข่มไว้หรือทุติยฌาน ต, ตัตยฌานก็จะละองค์ฌานที่หยาบอย่างนี้เป็นเป็นต้นเป็นไ ป, นปนตามลําดับแต่ทั้งหมดก็คือได้แก่สมาบัตแ8ดเขาเรียกวิขำพันะส่วนสมุดเฉททวิเวกเนี่ยการสงัดด้วยการตัดขาดเนี่ยหมายถึงอริยมรรคทั้ง4 โซดาปฏิมากสกาธาคามีมากอนาคามิมากอารัตมกักปฏิปัสัทธิวิเวกเนี่ยสงบด้วยการระ ง, งับเนี่ยหมายถึงผลทั้งสี่โสดาปฏิผลสกาทาคามีผลอนาคามีผลอารัตผลแล้วก็นิสรณาวิเวกหมายถึงการสงัดด้วยการออกไปนั้นพูดถึงเรื่องของพันิพานอย่างนี้เป็นต้นวิเวกที่กล่าวในปทมชาตนั้นมี3าประการนะนกายวิเวก สงัดกายก็คือการหลีกออกจากหมู่คณะอยู่คนเดียวเนี่ยนะอันนี้เป็นต้น2ก็คือจิตตวิเวกคือคือสงัดจิตสงัดหรือสงบเนี่ยหมายถึงตัวสมาธิแประดับคือสมาบัตแ8ส่วนอุปทิวิเวกสงัดจากกิเลสขันธ์และพิสังขารเนี่ยหมายถึงพันธิพาลแล้วเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องการเ ม, มหีพูดเรื่องกามเนาะเอาวัตถุกรรมวัตถุกรรมได้แก่อะไร วัตถุกรรมคือรูปที่น่าชอบใจอย่างนี้เป็นต้นแล้วกิเลสกรรมก็ได้แก่อะไรได้กก่คือฉันทะราคะความกำหนัดเนี่ยความติดใจใฝ่กระสันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นไปในลักษณะของความพอใจที่เป็นการมาฉันทะความกำหนัดยิ่งนักเนี่ยเป็นชื่อของราคะเป็นต้นด้วยลักษณะอย่างนี้เป็นเรื่องของบาป อกุศลรือเรียกกิเลสกรรมทีนี้ในเรื่องของคําว่าการถึงการสละการร ม, มาสุขก็คือสลัดจากวัตถุกรรมด้วยการเข้าถึงฌานสุขการที่บุคคลเนี่ยจะสามารถสลัดจากบาปอากุศลกรรมอันชั่วร้ายเป็นต้นได้เนี่ยก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นน่ะสามารถยังปฐมฌานจิตเป็นต้นให้เกิดขึ้น เมื่อฌานจิตเกิดขึ้นเนี่ยอกุศลธรรมมีการมาฉันทะนิวรณ์เป็นต้นเหล่านี้นิวรณ์เป็นค่าศึกต่อองค์ฌานองค์ฌานก็เป็นปฏิปักษ์ต่อนิวรณ์เหล่านั้นหมายความว่าไอตัวธรรมะที่กำจัดหรือทำร้ายนิวรณ์เนี่ยได้แก่ฌานใช่ไหมสมาธิเป็นปฏิปักษ์ต่อการมาฉันทะเนี่ยสมาธินี่นะเพราะเป็นค่าศึกโดยตรงของความปรารถนาคือราคา เพราะความตั้งจิตที่สัดสายถูกอารมณ์ต่างๆยั่วเยั้าให้มันคงฉะนั้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นไอตัวกาเมชันทะก็หายปีติละ่ะเป็นปฏิปักษ์ต่อพยาบาทความหงุดหงิดความโกรธวิตกก็เป็นปฏิปักษ์ต่อทีนัมิทะคือความหดหู่ท้อถอยสุขก็เป็นปฏิปักษ์ต่ออุทธจกักจกุกุจักคือความฟุ้งซ่านลำคาญใจวิจารณ์ความเข้าครึงอารมณ์ก็เป็นปฏิปักษ์ต่อวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสยัยอย่างนี้เป็นต้น นั้นถ้าเข้าใจลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าการที่บุคคลยังปฐมฌ า, านจิตให้เกิดขึ้นไอตัวปฐมฌ า, านจิตก็จะสามารถข่มตัวนิวรธรรมเป็นต้นได้การมรานท่าพยาบาทีนมิท่าอุทธะจักกุกุจัะและวิจิกิจฉาทั้งหลายก็สงบงระงับลงนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนั้น ท, ยย ท, ทีนี้ ไอีนี้อ๋อยังไม่ไม่ได้แสดงช่วงนั้นคือตรงนี้เที่ยเห็นในเรื่องของตัวฌานจิตเกิดขึ้ น, น ย, ยกตัวอย่างเช่นวิตกเนี่ยวิตกเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะน้อมจิตสู่อารมณ์หรือยกจิตสู่อารมณ์มีหน้าที่เริ่มกระทบอารมณ์นะโดยรอบเป็นต้นเหล่านี้ผู้ปฏิบัติเพียรปฏิบัติเพื่อยัง จิตให้เกิดขึ้นยังสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยพอได้ตัวฌานจิตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยครั้งแรกเนี่ยองค์ฌานมันจะประชุมรวมกันวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอก ข, ข, ขตาเป็นต้นเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นนั้นลักษณะของการเกิดขึ้นเนี่ยของฌา น, นจิตเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยทําให้ท่านผู้นั้นเน่ยเขาเรียกว่ายังปฐมฌานเป็นต้นได้เกิดขึ้นแล้วทีนี้ เมื่อบุคคลปฏิบัติถูกต้องรูปาวาจรัปฐมฌานที่มีองค์ฌานห้าก็เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติก็เริ่มตั้งแต่ดังที่ได้กล่าวนั่นแหละตั้งแต่มโนปริการมอุปจารานุลมโคตรภูจากอุปจารสมาธิชวนะแล้วก็พัฒนาขึ้นสู่อั ป, ปนาจิตอย่างนี้เป็นต้นในตัวฌา น, นาจิตเนี่ย เวลาตัวเกิดขึ้นมาแล้วก็ดังที่ได้กล่าวไว้ก็คือก็สามารถที่จะข่มตัวนิวรธรรมเป็นต้นได้เมื่อข่มนิวรธรรมแล้วเนี่ยถามว่าเมื่อยังชานจิตให้เกิดขึ้นนิวรสงบงระงับแล้วเนี่ยจะรู้ได้ยังไงหลังจากนั้นเมื่อนิวรธรรมสงบงระงับแล้วเนี่ยบุคคลนั้นก็จะฝึกแล้วแต่เนี่ยฝึกในการที่จะทวาวสีให้เกิดขึ้น ตั้งแต่สามารถในการพิจารณาองค์ฌานของมโนทวารแล้วชนะสามารถในการเข้าฌานสามารถในการกําหนดออกกําหนดเวลาออกเวลาเข้าและกําหนดองค์ฌานของโฉนนะทําจนช่ำชองเบ็ดเสร็จแล้วถ้าเข้าอยู่ในฌานสังเกตยังไงรู้ไหมว่าเป็นฌานหรือไม่เป็นมันจะต่างยังไงก็สังเกตตรงที่ว่าถ้าเป็นฌานาจิตเนี่ยจะสามารถปิดเสียงข้างนอกได้แต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ ไม่ใช่ฌานจิตนะเป็นแค่อุปจาระเนะี่ยเข้าไปในตัวสมาธิระดับนี้แล้วก็จะได้ยินเสียงอยู่หมายถึงความรู้สึกยังมีอยู่นะแต่ถ้าเป็นฌานจิตปุ๊บแม้เข้าปฐมฌานเนี่ยนะแล้วดิ่งอยู่ในปฐมฌานนั้นจะมีเสียงยังไงเสียงจะหายไปอันนี้เป็นเครื่องวัดว่าเออเข้าถึงตัวฌานนจิตที่เข้าถึงความแนบแน่นจริงหรือไม่อย่างนี้เป็นต้น อันนี้วันนี้ก็เลยพูดในเรื่องตรงนี้ให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังตรงนี้เดี๋ยวขอสรุปจริงนิดดีกว่าเมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราท่านทั้งหลายอาจจะวอกสึกโคฟังยากเหลือเกินใช่ไหมหลายคนอาจจะว่าโอ้เราจะสามารถมีโอกาสทําให้เกิดขึ้นได้ไหมก็พูดให้เราฟังว่าจรงิจรงๆแล้วถามว่าตัวกุที่จริงก็คือกุศลแะจิตนั่นแหละถ้าสามารถทํากุศลระดับทานระดับศีลได้ ระดับภาวนานี่ก็ทําได้ไม่ยากมันเป็นกุศลเหมือนกันแต่เป็นกุศลที่เข้าถึงความแนบแน่นกุศลที่เข้าถึงความตั้งมั่นกุศลที่สามารถมนสิยการเพื่อให้ตั้งอยู่ในรมใดก็สามารถตั้งอยู่ได้ตามที่ต้องการถ้ากรณีอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกําลังของสมาธิระดับสูงจะเรียกฌานาจิตอยเจงนี้เป็นต้นแต่ทั้งหมดเหล่านี้ต้องการชี้เห็นว่ากุศลที่เราทํากันเนี่ยในชีวิตจริงๆเนี่ย ที่เราทําตามระบบระเบียบกฎเกณฑ์กติกาทั้งหลายเหล่านี้ที่เราต้องมีกติกาในการไปให้ทานในการรักษาศีลเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้ก็เพื่อต้องการเอาเป็นกร่องในการนําเพื่อยังกุศลจิตให้เกิดเพราะกุศลจิตเนี่ยต้องอาศัยการปรุงแต่งให้เกิดแม้ฌานใจิตก็เป็นเรื่องการปรุงแต่งให้เกิดแต่มนุษย์โดยส่วนใหญ่เนี่ย <c oughs> ไม่มีอุบายวิธีเพียงพอในการที่จะทํากุศล ร, ระดับสูงให้เกิดขึ้น จึงต้องมีอุบายวิธีทั้งหมดเหล่าเนี้ไม่ว่าจะเป็นการดูลมให้ใจเข้าออกการเพ่งกสินเป็นต้นเหล่านี้ยนั้นเป็นอุบายวิธีที่จะเป็นตัวนําร่องเพื่อให้จิตนั้นเข้าถึงความแนบแน่นและตั้งมั่นยังกุศลจิตให้เกิดความแข็งแรงตั้งมั่นจนสามารถตั้งอยู่ในรมเดียวเป็นต้นได้ตามที่ต้องการตามที่กําหนดตามที่พึงปรารถนาถ้าทําได้อย่างนี้เมื่อไหร่ก็แปลว่าท่านบุ้นั้นสําเร็จผลในการยังสมาธิจิตให้เกิดขึ้น ทีนี้ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าการทำสมาธิจิตให้เกิดขึ้นเนี่ยมันได้อนิสงอย่างไรในชีวิตจริงของเราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าเราไม่สามารถยังกุศลละจิตเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมันก็เป็นปัญหาเราก็จะถูกโจมตีเป็นระยะระยะคือชีวิตเราก็จะไม่ได้ความสุขโดยเฉพาะนักบวชเนี่ยเรามีความสุขจากเพศนักบวชแล้วคือออกมาจากเครื่องพันธนาการ ไ ม, ไม่ต้องเป็นลูกน้องใครไม่ต้องเป็นที่ค่าใครก็เป็นความสุขระดับหนึ่งแล้วที่กล่าวไว้ในสามัญญาพรสูตรความสุขระดับที่สองก็คือนักบวชไม่ต้องไปจ่ายภาษีอกรเพราะมีชีวิตด้วยการมีก้อนข้าวของชาวบ้านในการดำเนินชีวิตนะฉันวันละมือ้อหรือสองมื้ออย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยเป็นการเลี้ยงขีที่โปร่งโล่งเบาก็เป็นความสุขระดับหนึ่ง ระดับต่อมาก็คือได้ศีลสุขสุขจากการที่ได้กุศลศีลฉะนั้นไอตัวเจตนาศีลที่ปีนตัวกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในใจกํากับพฤติกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามไม่เกลื่อนกลนไม่กระจัดกระจายไม่สั้นไปด้วยความเป็นผู้ทุศีลเนี่ยไอตัวกุศลจิตที่มันเกิดขึ้นได้จริงจากการที่เราเดินตามวินยัยตามแบบแผนตามกติกาที่วางไว้เนี่ย ยังกุศลธรรมกุศลจิตให้เกิดขึ้นกำกับพฤติกรรมทางกายทางวาจาได้ให้เป็นไปได้อย่างยันนา น, านและยาวๆ ย, ยังความสุขให้เกิดขึ้นจากการการยังกุศลจิตให้เกิดขึ้นนี่เห็นไหมนะ <c oughs> วัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้ได้กุศลนี่แหละแล้วก็สามารถกําจัดความทุกศีลที่จะเกิดขึ้นเป็นระยะระยะได้จริงแล้วก็ยังกุศลจิตให้เกิดขึ้นกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดอาชีพบริสุทธิ์อันนี้แปลผลของศีลได้ชัดแล้ว ถามว่ากุศลแศีลเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยอะไรด้วยศรัทธาด้วยความละอายต่อบาปด้วยความเกรงกลัวต่อบาปได้ด้วยตัวกลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายที่เรามานาสิการแล้วแล้วเราเล่าเป็นต้นเหล่าเนี้ยหรือได้การระ ล, ลึกถึงคุณของพระราชนาตรายเป็นต้นเนี่ยเห็นไหมทั้งหมดเหล่านี้คือวัตถุประสงค์ที่เราต้องมาเดินตาม ก, ก, กฎเกณฑ์กติกาทั้งหลายเอามาเป็นกรอบเป็นข้อวัดทั้งหลายก็เพื่อต้องการได้กุศลนี่แหละให้เกิดขึ้น ทีนี้กุศลเพียงแค่นี้ไม่เพียงพอมันเพียงเป็นกุศลที่ละ ก, กิเลสหยาบหยาบได้เช่นกิเลสที่มาทำให้ละเมิดทางกายทางวาจาและอาชีพเนี่ยละได้ด้วยกำลังของกุศลศีลแต่ยังไม่ปลอดภัยเมื่อยังไม่ปลอดภัยเนี่ยเรายังมีกิเลสอีกกลุ่มหนึ่งก็ เ, เรียกว่าอยู่ในกระแสของความคิดเขาเรียกวกลุ่มปริยุทธานะ ก, กิเลสระดับกลางเนี่ยคือความติดใจใยกสั์ ความเครียดความหงุดหงิดความหดหู่ท้อถอยความพุ่งสร้างลำคาญใจความลังเลสงสัยเนี่ยไอตัวนี้เขาเรียกนิวรธรรมเห็นไหมว่าหลายๆคนเนี่ยถึงแม้กายก็จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์แล้วพฤติกรรมทางวาจาไม่กล่าวเท็จสอเสียดคำหยาเพื่อเจอ้อไม่ได้เลี้ยงชีพผิดเลยดำเนินชีวิตได้เป็นปกติมีความสุขระดับขั้นขั้นีนี่แต่ด้านจิตใจยังถูกโจมตีอยู่ ถูกความติดใจใยกระสันโจมตีถูกความพยาบาดหงุดหงิดโจมตีถูกความโหมดหู่ท่อถอยโจมตีถูกความฟุ้งซ่านลาคาญใจโจมตีถูกความลังเล ส, สงสัยโจมตีอยู่อันนี้แปลว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยเหตุผลว่าทําไมเราจะต้องฝึกให้จิตเป็นสมาธิการที่จะเอาเอาความกําหนัดความยินดีเพลิดเพลินความขัดเคืองทั้งหลายออกจากจิตเนี่ยอุบายที่ดีที่สุดก็คือการเจริญบุตรกุลรมภูณสังข์ุณเป็นต้น หรือการเจริญอาณาปณสติหรือการเจริญการเจริ ญ, รญปฐวีกสินเป็นต้นเนี่ยในในบรรดากรรมฐาน40ที่ทรงกล่าวไว้หรือทรงประธานก็ไว้อันนี้เป็นอุปกรณ์ในการที่จะฝึกจิตให้เข้าถึงความแนบแน่นให้เข้าถึงความตั้งมัน่นถ้าหากไม่ฝึกให้จิตเข้าถึงความแนบแน่นถึงความตั้งมั่นเนี่ยจิตจะไม่มีพลังจิตจะไม่มีพลังที่จะสามารถไปกระจัดเอกิเลส ท, ที่กุมลุมในใจได้ การที่จะให้จิตมีพลังได้ก็จะต้องมีอุบายและวิธีนั้นอุบายและวิธีนั้นจะรอมรวมให้จิตเป็นหนึ่งเดียวได้เช่นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ยก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่หมู่ที่เป็นอุบายวิธีในการที่จะทําให้จิตเข้าถึงความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจิตใสสะอาดไม่มีกิเลสคอยรบกวนเป็นต้นดังนั้นการเพ่งการบริกรรมที่เรียกกันมาเนี่ยก็คือนั่นแหละ แปลว่าขยับขึ้นไปว่าเราจะอยู่แค่ศีลไม่พอถ้าอยู่แค่ศีลในที่สุดจริงๆเนี่ยก็ไม่ปลอดภัยฐานที่มั่นเดี๋ยวก็ถูกกิเลสโจมตีโดยเฉพาะฐานทางด้านจิตใจกิเลสโจมตีทุกวันแล้วก็เดือดร้อนอยู่ทุกวันอันนี้คือปัญหาชีวิตของหมู่สัตว์เมื่อเรามีปัญหาในการถูกโจมตีตลอดเนี่ยเห็นไหมนี่ก็เรียกเป็นศัตรูภายในเพชฌฆาตภายในฆ่าศึกภายใน เป็นโจรที่มันปล้นกุศลตลอดระยะเวลาเลยจากการเห็นจากการได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสเห็นไหมเนี่ยทำไมท่านถึงสอนให้ฝึกว่าหลังจากมีตัวปาฏิโมกสังวรลสีลแล้วกายวาจาใจสะอาดแล้วอาชีพบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันยังมีกิเลสที่มันจะไหลเข้าทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยพระองค์ก็ทรงสอนในเรื่องของอินทรีย์สังวรขึ้นมาก็เรียกปิดบาป ปิดบาปทางตาหูจมูกลินกายใจไม่ใช่ไม่ให้มองนะแต่ให้มีสติสำมรชัญญาโดยเฉพาะสติเนี่ยเป็นเครื่องกัน้นกระแสบาปเห็นแล้วไม่ให้ราคะโทสะไหลเข้าโมหะไหลเข้าสู่จิตได้ยินก็ปิดไม่ให้ราคะโทสะไหลเข้าสู่จิตได้กลิ่นริมรสสัมผัสคิดนึกไม่ให้ความโลภกดหลงมันไหลเข้าสู่จิตการที่ไม่ให้ความโลภกดหลงไหลเข้าสู่จิตตรงนี้นนเน้องเรียกว่าดู เพื่อเสพถ้าดูเพื่อเสพก็ชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็หลงมันก็ไหลเข้าแต่ถ้าดูปุ๊บเป็นกรณีศึกษาขึ้นมาเป็นการวิจัยแยกแยะมีสติปิดกัน้นปุ๊บบาปก็ไม่ไหลเข้าสู่ทางทาวารตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้พอบาปไม่ไหลเข้าสู่ทางทาวารตาปุ๊บทุจริตทางกายวาจาใจก็ไม่เกิดทางหูก็ทุจริตก็ไม่เกิดใช่ไหมถ้า ถ้าเห็นปุ๊บแล้วเกิดราคะเกิดถึงแม้ไม่พูดออกมานะตอนนั้นทางใจก็เป็นมโนโทุจริตแล้วถ้าโทสะเกิดถึงแม้ไม่พูดหรือไม่แสดงพฤติกรรมออกมาทางใจก็เป็นมโนทุจริตแล้วพอทูท้ะ ถ, ถ, ถอยใจก็เป็นมโนทุจริตฟุ้งซ่านลำคาญใจใจก็เป็นมโนทุจริตลังเลสงสยัยตอนนั้นใจก็เป็นมโนทุจริตแปล ว, ว่ากุศลจิตไม่เกิดจากการเห็นการได้ยินเป็นต้นเลยนิวรณนก็กุ้มรุม แต่ถ้ามีสติปิดกั้นปุ๊บจากการเห็นปุ๊บมโนสุจริตพอเป็นมโนสุจริตใจเป็นกุศลแล้วเนี่ยผักออกมาการกระทําและคำพูดก็กลายเป็นกายสุดจริตและวจีสุดจริตก็เลยได้สุดจริตสามจากการเห็นแม้การได้ยินก็เป็นไปในยะอย่างนี้ฉะนั้นนอกจากปาติโมกสังวรแล้วพระเจ้าทึงสอนอะไรต่ออินทรีสังวร นั้นบุคคลที่มีอินไซต์ซีสังวรเนี่ยจึงเป็นคนที่เริ่มสะอาดและเป็นคนที่กิเลตเข้าไม่ไม่โจมตีทางตาหูจมูกรินกายใจที่เราไปสัมพันธ์กับโลกข้างนอกตาไปสัมพันธ์กับสีหูสัมพันธ์กับเสียงจมูกสัมพันธ์กับกลิ่นลิ้นสัมพันธ์กับรสกายสัมพันธ์กับโผฏพลาเย็นร้อนใจสัมพันธ์กับธรรมารมณ์การคิดนึกอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยภายในภายนอกนก็ป้องกันบาดเอาศัลยกรรมอันชั่วร้ายไม่ให้ไหลเข้าสู่จิตได้เห็นไหม นี่อุบายวิธีที่จะทำให้หมูสัตว์สะอาดและสงบเนี่ยเป็นไปได้เป็นต้นทีนี้การเลี้ยงชีพก็เลี้ยงชีพที่ถูกต้องเป็นความเพียรที่บริสุทธิ์แล้วการการใช้ที่อยู่อาศัยเครื่องนมยาอาหารก็ใช้ปัญญามาวิจัยแยกแยะศีลที่เป็นไปในภูมิทั้งสีมีปาฏิโมกสังวรศีลมีศรัทธาเป็นประธานอินทรีย์สังวรศีลมีสติเป็นประธานนะ อาชีวาประดิสุดทีิศีลการเลี้ยงชีพมีความเพียรชอบเป็นประธานปัจจะย ส, สันนิสิตาศีลการพิจารณาปัจใจสี่มีปัญญาเป็นประธานในการไปวิจัยแยกแยะเนี่ยมูสัตว์เริ่มเข้าถึงความสะอาดแปลว่ากิเลสไม่ไหลลงสู่ใจและนี่ปิดกันได้ระดับหนึ่งพอได้ภาวาจิตแบบนี้ปิดบาปทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจได้อย่างนี้ทางการเลี้ยงชีพได้อย่างนี้การพิจารณาเสพปัจปใจสี่ทั้งหลายได้อย่างนี้เบียเศ็จปุ๊บ การทำสมาธิไม่ยากนี่ไม่ยากแล้วการตั้งอยู่ในศีลในภูมิศีการจะเดินจิตให้เป็นสมาธิไม่ยากถ้าทำได้จริงๆนะมีความเข้าใจนะ mm hmm. เหตุผลที่เราทำแล้วยากเพราะอะไร mm hmm. เพราะว่าเราไม่สามารถปิดบาอยังหยาบได้หรือบาบที่ไหลมาถูกทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจได้จริงและโดยเฉพาะการเลี้ยงชีพตลอดถึงการกินอาหารเป็นต้นเหเนี้ย แล้วปล่อยให้บาปเข้าโจมตีในใจตลอดใจก็เศร้าหมองใจก็อ่อนแอใจก็ฟุ้งซ่านใจก็กำหนัดขัดเคืองทีนี้พอเวลาไปทําสมาธิขึ้นมากิเลสมันไม่เอาด้วยก็เบื่อหนายไม่อยากทําหรือโกรธหรือหงุดหงิดง่ายทําไปทํามาก็ไม่เอาแล้วจะจะมุ่งสู่ภาวะลกิจแบบละเอียดละเอียดขึ้นมามันไม่ยอมให้ไปทํางานหยาบหยาบได้ เช่นไปขวาดไปเก็บไปทําอะไรทั้งหลายอ้าวก็ต้องไปปรับใหม่อีกแล้วไปปรับจากการฝึกตัวข้อวัดถ้าเป็นพระภิกษุสามนเณรก็ฝึกข้อวัดฝึกในการกวาดแต่ไม่ใช่กวาดแบบงุดหิดกวาดนะกวาดแล้วมีสติสัพชัญญาว่าเราจะทําข้อวัดนี้ให้เต็มไม่บริบูรณ์การกวาดเป็นผลพลอยได้แต่การทํากุศลลจิตให้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นจุดหมายหลัก ถ้าไปกวาดก็ดีไปซักผ้าก็ดีไปเย็บก็ดีไปย้อมก็ดีไประบมบาดก็ดีหรือญาติโยมทั้งหลายปัดกวาดเช็ดถูทํากิจกรรมของชีวิตเนี่ยไม่ยังกุศลจิตให้เกิดขึ้นอันนี้แปลว่าไม่ประสบความสําเร็จทั้นการยังกุศลจิตให้เกิดขึ้นนั่นเป็นการกระทําเพื่อให้เข้าถึงความให้เข้าถึงกุศลจิตที่มีความแข็งแรงแล้วก็กุศลเกิดได้ยาวขึ้นได้นานขึ้นได้ชํานาญขึ้นช่ําชองขึ้นในทุกๆุอารมณ์ ที่ไปเกี่ยวข้องในทุกๆ ก, กิจกรรมที่เกี่ยวข้องถ้าทำได้อย่างนี้เบีเสร็จคนประเภทนี้จะฝึ ก, กจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นในลมหนึ่งเดียวไม่ยากจะแปลกใจว่าทำไมเราจึงทำจิตให้เป็นสมาธิได้ยากมากเพราะว่าในชีวิตจริงมันเดินกุศลไม่ได้ใช่ไหมเวลาคำสอนที่เราไปดูในในอนุปปิกาถา ทำไมพระพุทธเจ้าจึงเริ่มตั้งแต่ทานนักถาพาลนาเรื่องทานให้เป็นเจตนาทานเป็นยังไงวัตถุทานเป็นยังไงเจตนาทานเป็นยังไงหูไลให้ทานด้วยความลำเอียงพอลักเป็นยังไงให้ทานด้วยความโกรธเป็นยังไงให้ทานด้วยความไม่รู้เรื่องเป็นยังไงให้ทานด้วยความกลัวเป็นยังไงให้ทานตามประเพณีเป็นยังไงให้ทานหวังสุขติโลกสวรรค์ให้ทานแล้วชื่นใจเป็นข้งงๆเกาคราวเป็นยังไง กรณีอย่างนี้ไม่เป็นปัจจัยต่อการที่จะยังศีลสมาธิหรือปัญญาให้เกิดขึ้นต้องเป็นการให้ทานและฌานฉลาดในฐานเท่านั้นพระเจ้าก็สอนเรื่องจิตะาาาจตะรังการละทานจิตตะรังการละทานทางการให้ทานเพื่อประดับจิตตกแต่งจิตให้เป็นกุศลจิตเมื่อได้กุศลจิตระดับทานแล้วก็พัฒนากุศลจิตระดับศีลเมื่อพัฒนากระดับศีลได้จนแข็งแรงแล้วก็พัฒนากุศลจิตระดับสมาธิ แล้วก็พัฒน า, นาได้สมาธิแข็งแรงตั้งมั่นกับพัฒนากุศลจิตระดับปัญญาที่จะไปจอดทะลุดทะลวงรู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นไหมว่าพระเจ้าแสดงทานรักษาพารนาเรื่องทานทั้งหมดวัตถุประสงค์ก็คือต้องให้เข้าถึงกุศลจิตไม่ใช่แค่ติดแค่กิจกรรมศีลรักษาพูดลงศีลก็ไม่ใช่ติดแค่รูปแบบนะไม่ใช่ติดแค่รูปแบบเป็นวิในเป็นกรอบเป็นกฎเกณฑ์เป็นกติกาเป็นรูปแบบที่ทํากันขึ้นมาแต่ไม่รู้วัตถุประสงค์ มีความงมงายในการการะทำไม่ใช่นั่นเป็นอุปกรณ์ในการที่จะทําให้ได้กุศลจิตจริงๆแล้วก็พูดชี้ให้เห็นด้วยนะทานและศีลเหล่านี้มีผลเป็นสุขติอย่างไรอ่าเป็นมนุษย์เป็นยังไงเป็นเทวดายัางไงเป็นต้นเหล่านี้ก็บอกผลบอกอนิสงส์ <c oughs> เขาเรียกสัก ข, ขะกระถาทีนี้พอบอกตัวผลตัวอนิสงส์เบีเสร็จแล้วเนี่ยก็เห็นด้วยนะว่ามันมีโทษว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันมีโทษนะเมื่อมีจุดเด่นมันก็มีจุดด้อย มันมีข้อดีก็ต้องมีข้อด้อยมันไม่ได้ดีจริงๆนะมันเลยมีโทษพอเห็นโทษของการไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นต้นหรือได้ผลของทานของศีลเป็นต้นมันก็ยังไม่ดีจริงก็เลยเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายใจก็น้อมออกไอ้ใจที่น้อมออกจากสีเสียงกลิ่นรสผลอภพัพะและธรรมารมทั้งหลายเหล่าเนี้ยภาษาพหะเรียกว่าเนคขมมะใจที่น้อมออกจากกามเห็นไหมเนคขมมะเนี่ยกุศลจิตที่น้อมออกจากกาม น้อมก็าหาความสงบกุศลจิตที่เข้าถึงความตั้งมั่นที่เรียกว่าปฐมฌานก็เรียกว่าเนคข ม, มะแม้ตัววิปัสนาญาณยังเรียกว่าเนคข ม, มะเลยปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงตลอดถึงพรานิพานก็เป็นเนคข ม, มะฉะนั้นเมื่อหมู่สัตว์ฟังพระธรรมคําคสอนของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเนี่ยยังกุศลจิตให้เกิดขึ้นน้อมออกจากกามปุ๊บพอน้อมออกจากกามได้ยังสมาธิเกิดขึ้นในขณะที่ฟังแป๊บ ในขนาดนั้นแปลว่านิวร์ไม่รบกวนและพอนิวรธรรมความติดใจฝ่ายกระสารความเครียดความหดโคก็ดีความฟุ้งซ่านลำคาญใจความรังเลสงสัยสงบระ ง, งับจิตสะอาดเอี่ยมอ่องผ่อ ง, องแผ้วจิตไม่มีมนทิน้นจิตตั้งมั่นแข็งแรงดีแล้วพระเจ้าเห็นและเห็นพสภาพจิตอย่างเนี้ยพระเจ้าก็พูดเรื่องทุกขสัจสมุทัยสัจจะนิโรธสัจจะแล้วก็บอกมรรคสัจจะ พอประชุมลงในอริยสัตว์แล้วเนี่ยสัตว์นั้นก็มีปัญญาในการตามพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าจนสามารถแทงตลอดอริยสัตว์พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ได้เห็นไหมอุบายทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมหรือเราฟังธรรมกันวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้เราได้กุศลและจิตจริงๆไม่ใช่ว่าฟังเพลินๆฟังแล้วเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่ใช่แค่นั้น ถึงแม้ไม่เข้าใจแต่ถ้าจิตตั้งมั่นในการฟังแปลว่ายัางกุศลจิตให้เกิดขึ้นพอตัดความว้าวุ่นความวุ่นวายทั้งหลายออกจากใจได้แล้วทีนี้น้อมจิตได้อีกเยอะเลยน้อมจิตไปเพื่อที่จะเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นการฟังธรรมเนี่ยถ้าฟังธรรมเป็นระบบเป็นรูปแบบจริงๆแล้วจะเป็นไปเพื่อการขัดเกลาจริงๆให้เวลาพระเจ้าแสดงธรรมเนี่ยจึงไม่เหมือนกับพวกเราฟังธรรมในยุคนี้ ในยุคนี้เราจะเรียนเรื่องทานเรียนเรื่องสีเ ร, เรื่องเรื่องต่างๆก็ไปเรียนเป็นกิจจลากาักษณะกันก็เลยกลายเป็นไม่ขับเน้นเรื่องการคัดเกลาจิตจริงๆเลยมีผลได้ไม่เลิศเพียงเราขับเน้นเรื่องความเข้าใจแต่เราไม่ขับเน้นเรื่องการละกิเลสแต่พระเจ้าเนี่ยแสดงธรรมเนี่ยเป็นการ ป, ปกปรับประดับจิตปกแต่งจิตปรุงแต่งจิตเพื่อให้เข้าได้กุศลจิต เมื่อกุษษณลรจิตเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้ข้อมูลความรู้ให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงมีเหตุมีผลยังไงเป็นต้นเป็นไปตามลําดับแล้วต้องการที่จะยกจิตหรือว่านําร่องจิตให้เข้าถึงสมาธิเมื่อได้สมาธิแล้วนําร่องจิตให้เป็นฐานปฏิบัติการของปัญญาแล้วก็พิจารณาเห็นแยกแยะว่าเออแยกแยะรูปธรรมและนามธรรมอย่างไรเห็นคุณเห็นโทษเห็นทุกข์สัตว์ยังไงเห็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างไรตั้งจุดหมายที่พันธิพานอย่างไร แล้วก็ดําเนินสัมมาทิฏฐิคือศีลสมาธิปัญญาที่เป็นข้อมรคเนี่ยให้ดําเนินให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงๆริงยังไงเวลาเขาฟังทำกันจริงๆริงเขาน้อมอยากจกบรรลุในการฟังกันเนะซึ่งทุกวันเนี่ยอาการแบบนี้หายไปแล้วเราเป็นการเรียนธรรมะกันโอ้โหเรียนกันจริงจริงยังๆเลยตอนนี้ยนักเข้านัเข้าผลของการเรียนมาเอาใบประกาศเป็นฐานรองรับเป็นต้นบ้างมันเลยกลายเป็นผลพลอยได้เลยไม่เข้าใจ เนี่ยนักเข้าวักข้าก็เลยไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรอันนี้พอสมควรเดียวเวลาย้ไรอา้าขอคำถามมีคนจะถามเชิญขอขอาการ์ดพระอาจารย์ครับพอดีมีโยมเขาฝากคําถามไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับพอดีโยมเขาปฏิบัติสมาธิแล้วก็เขาก็ถามมาว่าถ้าถึงเวลานอนแล้วร่างกายต้องการพักผ่อนอย่างมากแต่ว่า จิตมันไม่อาจจะหยุดภาวนาได้ทำอย่างไรถึงจะวางจิตให้พักผ่อนได้เจ้าคะคือพอดีโยมเขาเป็นมาพักใหญ่เป็นมาหลายปีแล้วขอความเมตตาพระอาจารยนะ์แนะนำด้วยครับแล้วก็ขอขออนุโมทนาในคำถามเออคำถามนี้เป็นกันเยอะไม่ใช่เป็นเฉพาะผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นเฉพาะผู้ปฏิบตัติแม้ผู้ที่ไม่ปฏิบตัติพออายุมากขึ้นมีภาวะแห่งการนอนไม่หลับเขาเรียกว่าฟุ้งอาการฟุ้งเนี่ยถ้าจำได้ก็คือว่า อาการฟุง้งเนี่ยนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการถ้าเป็นผู้ปฏิบัติเขาเรียกว่าความเพียรเนี่ยความเพียรในการที่จะยกจิตเนี่ยมันแรงถ้าพูดถึงฐานของตัวโพชงถยมจำได้นะก็แสดงให้เห็นชัดว่าตัวธรรมวิจยาสัมโพชง วิรยิยะสามพ่อชงแล้วก็ปีติสัมโพชงเนี่ยมันทำงานมากเมื่อเป็นไปลักษณะอย่างนี้แปลว่าอะไรเวลาเราไปทำภาวนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรู้สึกพอทาทำไปแล้วนะ่ะข้ามันล็อกมันล็อกกรณีอย่างการที่หลายหลายคนก็เป็นนะบางคนยกตัวยอย่างเช่นบางคนทำอาณาปณะสติแล้วออกจากลมไม่ได้ โอ๊ยมันไม่ได้เลยตอเนี้ยทำยังไงก็ไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้งไงไไดนั้นแปลว่าอะไรแปลว่ามันทำตลอดเวลาปรุงแต่งที่จริงเนี่ยไอตัวการที่มันไปเพียนจัดเกินไปจนมันหรือก็เร่งเกินไปเร่งเพียนเกินไปยกจิตมากเกินไปเอาวิตกทำงานพอวิตกทำงานก็ยกจิตอยู่กับอารมณ์นั่นอยู่ตลอดเวลาเลยเพียนด้วย แล้วก็ไปวิจัยตามนั้นด้วยแล้วก็รู้สึกว่าใหม่ๆชอบใจด้วยที่มันเป็นอย่างนั้นมันมันผิดมาตั้งแต่แรกจากการที่กระทําโดยมากกลุ่มพวกนี้จะทําเองห่างไกลการยานมิตรเพอห่างไกลกยานมิตรก็ทําใหญ่หรือบางทีไปเจอครูอาจารย์ก็ดีหรือกรยารยานมิตรที่แนะนําไม่เป็นไม่ชานฉลาดในการแนะนําก็มีแต่ว่ากระทงกระทงุงทํำก็ไปทํำก็ไปทำํปทำก็ไปอะไรเนี้ย นี่ก็เอาใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ก็แปลว่าเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนพึ่งเหมือนพึ่งที่ไม่ฉลาดที่ยกตัวอย่างแหละบินเต็มที่เลยเพื่อจะไปเอาลกอูกศรเออเอาเกสรเอาเกสรดอกไม้ไปกินเกสรดูดเกสรดอกไม้มาทำเป็นทางพึ่งเนี่ยเร่งเต็มที่เลยตเตลิดบินเลยไปซะแล้วก็ไม่ประสบความสาเร็จก็เป็นอย่างเนี้ยนี่ก็เหมือนกันสมาธิก็ไม่ได้นะเพียงแต่ว่ามันเป็นล็อก ตักรรมฐานก็ไว้ไปยึดมั่นในกรรมฐานก็ไว้แล้วก็ออกจากตัวกรรมฐานนั้นไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าจี้แรงเกินไปเหมือนคนบางคนจี้เข้าไปตรงจุดกระทบจี้ไปจี้มาชาทั้งทั้งหน้าเลยอย่างงี้เป็นต้นอันนี้เล่าเล่าสาเหตุให้ฟังวิธีแก้ใช่ไหมโยมต้องการถามวิธีแก้ก่อนแต่ให้รู้ก่อนว่ามันมาแบบนี้เมื่อมาแบบนี้ยวิธีแก้ก็คือว่าต้องต้องไม่เพียง ต้องไม่วิจัยต้องไม่ยกจิตเอาแล้วทำไงที น, นี้ต้องมีสติกำกับอยู่กับตัวแล้วก็น้อมมณนัิการใส่ใจไปที่ความสงบใส่ใจไปที่ความสงบถ้าจิตมันล็อกติดอยู่กับกรรมฐานหลับไม่ได้ให้เปลี่ยนให้เปลี่ย น, เ ป, ยนเปลี่ยนจากการไปดูกรรมฐานเดิมที่ยมเป็น อาจจะสม ด, ดูลมหรือดูกรรมฐานอะไรก็แล้วแต่ให้เปลี่ยนใจไปในเรื่องอื่นน้อมจิตไปอายกตวอย่างเช่นน้อมจิตใจไปในการไปคิดเรื่องการให้ทานว่าเราได้ให้วัตถุทานอะไรโน่ no, เนี่ยแล้วน้อมเข้าหาตัวตัวตัวเจดนาไม่ใช่ตัววัตถุทานอย่างเดียวนะสภาพจิตที่เราให้ทานมันเกิดปลาโมดยังไงเกิดปีติเกิดความสงบยังไง น้อมไปเพื่อให้จิตสงบจากการระลึกถึงทานหรือน้อมไปดูพฤติกรรมของตนเองที่เป็นกุศลศีลจริงๆว่าเราได้สมาทานศีลอย่างไงหรือไม่อย่างนั้นระลึกน้อมจิตไปในการระลึกถึงคุณของพระเจ้าแล้วเกิดความสงบเย็นว่าพระเจ้า เ, เรากายนี้ใจนี้กระแสชีวิตนี้ ได้มอบถวายแด่พระพุทธเจ้าแล้วเนะ้ะเนี่ยเราปลอดภัยแล้วอยากจิตให้สงบเราปลอดภัยแล้วเนาะพะุทธเราเนี่ยพระรัตนตรัยคุ้มครองยังจิตให้สงบยังจิตให้ตั้งมั่นแล้วก็วางใจเป็นกลางวางใจในเป็นกลางในสัตว์และสังขารวางใจเป็นกลางในสัตว์และสังขารก็คือว่าไม่ไปกังวลว่าสัตว์บุคคล พี่น้องพ่อแม่ใครจะเป็นอย่างไรก็วางใจเป็นกลางว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมนบแล้วก็วางใจไปในสังขารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมีใจกองกระแสชีวิตที่มันแก่มันเจ็บก็ไม่ไปวิตกกังวลว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นไปตามการเวลาของมันกุฏิวิหารบ้านช่องทั้งหลายเหล่านี้ค่คลาทั้งหลายก็ไม่วิตกกังวลน้อมจิตน้อมจิตวางใจเป็นกลางน้อมเข้าไปหา ความตั้งมั่นแห่งจิตน้อมเขาเ้าไปในความสงบกายจิตสภาพสภาพจิตใจทั้งหลายก็เลือกกายก็ผ่อนคลา ย, า ย, ายจิตก็ผ่อนคลา ย, าย au, au, เนี่ยกายเบาจิตเบาเนี่ยกายสงบจิตสงบน้อมก็ถึงความอ่อนความควรทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นพอจิตเราน้อมอย่างนี้บ่อยๆก็ตัดอารมณ์กรรมฐานนั้นไปก่อนน้อมเปลี่ยนอาการใหม่พอฝึกว่ายอย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวมันจะเด้งกลับมาที่เก่าก็าไม่เป็นไร ก็น้อมเข้าหาความสงบน้อมก็าหาความสงบโดยการเปลี่ยนไอตัวภาวนาที่เราเคยทำจนติดติดเป็นอัธยาศัยนั่นแหละเพราะอาการแบบนั้นมันไม่ได้กุศลแล้วพอไปดูลมก็ดีไปดูกรรมฐานหรือไปภาวนาอะไรก็แล้วแต่นี่มันมันก็ไปได้ความทุกข์ใจได้ซ้าไปบางทีมันคล้ายๆว่ามันลงร่องตรงนั้นแล้วก็น้อมออกมาไปดูอย่างอื่นไปไข้กวนอย่างอื่นเขา เขาจึงบอกว่าการเจริญกรรมฐานก็ไม่ให้อยู่ในกรรมฐานเดียวเห็นไหมเขาจะต้องมีกรรมฐานที่เป็นสัพพทักกะกับปริหาริกะกรรมฐานสัพพทักกะก็คือกรรมฐานที่จำปราถนาใ น, ในที่ทั้งปวงในกิจทั้งปวงก็คือฝึกเจริญเมตตานเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องเมตตาว่าเจริญยังไงแผ่ไมตีจิตให้เกิดความรักความปรารถนาดีความเมื่ออะทอนเวลาเมตตาเกิดขึ้น ก็มีสภาพที่มีความรักปรารถนาดีเอื้อทอนเราจะทําคุณธรรมคือเมตานี่ให้เกิดขึ้นเนาะเนี่ยให้เกิดขึ้นในใจพอเมตตาทํากิจเมตาก็กําจัดความเครียดความวิตกกังวลความพยาบาทให้หายไปอาการปรากฏของเมตตาคือกายวจ า, า, าใจสะอาดเย็นเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญเลยผลปรากฏก็เพราะว่าเรามองเรื่องที่ดีมองมองความดีของหมูสัตว์ทั้งหลาย มีใจรักต่อหมู่สัตว์ทั้งหลายเห็นจุดเด่นของสัตว์ทั้งหลายก็เลยเมตตารักปรารถนาดีเกลถอนนี้เป็นต้นพยาบาทก็ถูกขจัดออกสภาพจิตใจคุณมัวก็ถูกขจัดออกเห็นให้เมตตาในยามที่คุณเคืองทั้งหลายก็ให้เจริญเมตตาในยามที่จิตเกิดความรู้สึกว่าไม่ควา้าไม่มีความเชื่อมั่นก็ให้เจริญพุทธคุณเล็กถึงคุณองพระเจ้า ในยามที่เกิดกำนัดยินดีเพลิดเพลินให้เจริญอสุภะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกทั้งหลายไม่งามเนี้ยในยามที่เราประมาทเลินเล่อทั้งหลายก็พิจารณาความตายว่าความตายจะมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าแล้ลมหายใจออกแม้ทุกการยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นนี้ในชีวิตจริงๆไงใช่ไหมในชีวิตจริงๆก็อยู่กับกรรมฐานอย่างนี้เป็นกรรมฐานหมวดใดหมวดหนึ่งเป็นไปตามสภาพนั้นนั้น เมื่อเราจะเดินกรรมฐานหลักที่เราเดินกรรมฐานอะไรไว้ก็นั้นเป็นช่วงเป็นเวล า, านี้เป็นต้นฉะนั้นเมื่อเราวางเราเรามีกรรมฐานหลายกรรมฐานเป็นตัววิ่งเป็นเป็นอุปกรณ์ในการฝึกจิตอย่างนี้จิตจะไม่ติดล็อกเพียงกรรมฐานเดียวและเราก็จะออกจากอาการที่เป็นนั้นได้อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นอาการแบบนี้มันแก้ได้มันแก้ได้ ก, ไดก็ให้กาลังใจนะว่าเออโยม ถ้ายังไม่ชัดตรงนี้ถ้าเป็นอาการเป็นหนักๆเนีนะ่ย เ, เดี๋ยก็ติดต่อที่พระให้พระท่านบอกถ้าพระบอกไม่ได้เดี๋ยวจะบอกวิธีนะอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็ก็ปลายเปิดกันไว้สำหรับช่วยกันไม่ไหวจริงๆใช่ไหมคนเคยเจอแล้วคนติดมีคนคนหนึ่งนะเออไปทำกรรมฐานเนี่ยออกจากกรรมฐานไม่ได้แต่ไม่ได้กุศลสามเดือน สามเดือนยังออกไม่ได้เร่งจัดเร่งยังไงรู้ั้มตอนนั้นเนี่ยไปปฏิบัติก็เห็นแม่ไก่แม่ไก่เป็นฟักไข่มันกําลังทํารังไก่ไก่ตัวเมียมันทํารังอยู่ ใ, ใกล้ๆกกุฏิท่า น, นก็เลยคิดบอกว่าเอาละเราจะบรรลุพร้อมกับไก่วันใดที่ไก่คลอดลูกออกมามันคลอดฟักไข่ออกมาได้วันนั้ น, เ, นเป็นวันบรรลุของเราโอ้โหเร่งแขง เขาเรียกว่าเหมือนเนี่ยเหมือนพึ่งที่ไม่ฉลาดเนี่ยแหละเต็มที่เลยทุ่มเต็มที่เลยกับกรรมฐานนั่นนี่เขาเรียกว่าอัดเต็มที่อัดเต็มที่พันษาหนึ่งวัดีไก่คลอดลกูกแต่ตัวเองพังออกกรรมฐานไม่ได้ยืนก็ออกไม่ได้เดินก็ติดกรรมฐานอย่งนั้นแหละเฮ้ยจะเป็นบ้าอะจะเป็นบ้าเลยเด็นี่นอนก็ไม่หลับอะไรก็ไม่ได้ จึงคิดกนาดว่าเอ๊ะทำยังไงให้เพื่อนมาคอยดูว่าตัวเองจะบ้ามาเลยนังเข้านังเข้าเขาอาศัยตรงเนี้ยให้ทิ้งกรรมฐานพอทิ้งกรรมฐานเสร็จว่าให้แปลหนังสือผลปรากฏท่านแปลหนังสือได้เล็มเบอร์หนึ่แปลไปแปลมากรรมฐานหายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หลดุดหลุดออกมาได้เลยไม่กล้าทำกรรมฐานนั้นอีกเลยก็ว่ากันนี่นนกรณีแบบนี้เขาเรียกว่ามันไปติดติดล็อกเพราะไม่ไม่ชานฉลาดาไปเดินกรรมฐานเดียว แล้วก็ขาดกระยาณมิตรขาดกระยาณมิตรที่คอยบอกแบบใกล้ชิดนะตรงนี้ก็ก็ทั้งหมดนะมันเป็นเรื่องไม่ไม่ไมเออคืออย่างนี้ถ้าเรามีสุตตะวาริยะสาวกูมีสุตตะของภ า, าริยะได้ยินเสียงกู่เรียกของพระเจ้าที่ใช้คำพูดที่บอกว่าเหมือนมี G P S ในการเดินทาง คอยบอกตลอดนี่เหมือนกันมีคําสอนพระเจ้าคอยบอกแนะนําตลอด น, นจะไม่หลงนี่เผอิญเราไม่มีได้แต่ความรู้สึกของเราเราจะทําแบบนี้ทําแบบนี้แต่ไม่เคยมีคําสอนของพระเจ้ามาคอยบอกเป็นแผนที่นําทางนำล่องเป็นเรื่องปกติใครได้ที่ปรึกษาดีได้ครูอาจารย์ดีก็เป็นบุญไปว่าครูอาจารย์ก็คอยแนะนําถ้าได้ที่ปรึกษาที่บอกทางผิดอันนั้นก็เป็นโทษของสังสารวัตรเป็นกรรมของสังสารวัตเอ อ, อตรงเนี้นะ มันไม่ใช่เป็นอย่าไปโทษตัวบุคคลนะเป็นกรรมของสังสารวัฏนะเรื่องนี้เคยยกตัวอย่างให้ฟังแล้วใช่ไหมที่เคยพูดเรื่องพระเรื่องพระที่ท่านมียอมอุปถากน่ะเนี่ยพระที่ท่านมียอมอุปถากเนี่ยแล้วไปมาหาสู่กันตลอดพระเถระลมเนี่ยนะไปไปไปมาหาสู่ตลอดมีวันหนึ่งท่านก็ไปฉับบินาบาดแล้วก็ไปในนั่งในบ้านของโยมเนี่ย ทีนี้เอในยอมคนเนี้เป็นช่งางเจรนเพชรด้วยในวันนั้นในพระราชาก็ให้อมาศเนี่ยเอาเพชรมาให้เม็ดหนึ่งในตอนที่ตอนเช้าที่พระท่านไปนั่นงอยู่ในบ้านทโยมโอุปถัมเนี่ยทีนี้ในระหว่างนั้นพอพออมาศเนี่ยเอาเอาเพชรไปให้กับกับช่างคนนี้ยช่างคนนี้กําลังทําอาหาร มือก็เปื้อนเลือดที่กําลังหั่นเนื้อที่จะถวายพระเทรานี่แหละเอาไปหุงไปก็เลยใช้มือที่เปื้อนเลือดน่ะรับเอาเพชรเม็ดนั้นเนี่ยของพระราชาเนี่ยละวางไว้แล้วตนเองก็หั่นเนื้อทําอาหารแต่ในบ้านนี้เขาเลี้ยงนก เ, เป็นนกไอเขาเรียกนกอะไรไม่รู้ตัวใหญ่ใหญ่อะ่ะนกใหญ่ๆ่เลี้ยงมันคุ้นเคยแต่มันชอบกินเนื้อกินเนื้อสดสดเนี่ยชอบไอ้นกตัวเนี้ย นี่มันก็มันมันเห็นเพชรเนี่ยมันเข้าใจว่าเป็นเนื้อไอ้ที่เจ้าของบ้านเนี่ยใช้มือเปื้อนเลือดไปจับนี่ก็มีเพชรติดอยู่ไอ้นกตัวนี้ก็เดินตึกๆึ๊กตึกต ก, ตกมาก็กินในตัวนี้เลยกินเพชรกลืนเข้าไปพระมองเห็นไกลๆ ก, ก, ก็เห็นนี่พระนั่งริมริมบ้านก็เห็นโอ้โหพอเห็นเสร็จปุ๊บก็เอาแล้วยตัเนี้ยอตัวอุบาศกนี่ก็ทําอาหารเสร็จแล้วก็จะเอามาถวายพระนั่นแหละ เอาเหลียวไปดูไอเพศหายไปซะแล้วก็เอ๊ะหายไปไหนเนี่ยอุ้ยตายแล้วนึกถึงว่าความผิดจะตกกับเราแล้วมั้งไปถามภรรยาภรรยาใบบอกภรรยาบอกว่าเนี่ยเพศหายาพระต้องเอาไปแน่นอนเนี่ยก็ไปถามพระพระก็ไม่ตอบจะตอบก็ไอ้นกก็ตายอย่าเงี้ยพระก็ไม่ตอบไปบอกภรรยาภรรยาก็บอกว่าอย่าไปนั่นพระท่านต้องไม่เอาแน่นอนพระไม่ทําอย่างนั้นพระคุณเจ้ามีข้อวัดปฏิบัติดีขนาด น, นี้ท่านจะไปทําไม สามีไม่ยอมแล้วกลัวตายกลัวถูกลงอาชญาจากพระราชาทําไงเลยก็เอาเชือกมาทําไงพระไม่พูดเอาเชือกมามัดศีรษะพระแล้วก็ใช้ไม้ขันขันเหมือนขันสนอขันขันขันขันไปโอ้ยแต่เนี้ยพระก็ไม่พูดในขณะที่ขันขันไปเนี้ยเลือด ก, ก็ไหลออกจากหูจากตาจากปากของพระขันไปเรื่อยๆตาก็ค่อยๆจะถลนออกมาได้ ขันก็ถามว่าให้พูดให้พูดพระก็ไม่พูดทีนี้เลือดก็ไหลออกมานกก็ได้กลินเลือดมันมันเดินเดินเดินมาเจ้านี้ก็โกรธก็ไต่นกอย่างแรงเลยก็เดินไปติดก้างขวาชักพระก็เลยยกมือขึ้นถามว่านกตายหรือยังออุบาสกนี้บอกอย่าว่าแต่นกเลยท่านไม่พูดท่านก็ต้องตายบอกนกนั้นตายแล้วท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเพชรอยู่ในท้องนกนั่นก็เลยคลายออกมา ผาะก็ุดลงไปก็เลยไปผ่าท้องนอกดูอา้าวเพชรอยู่ในนั้นอยูงโอ้โหสวยแล้วงานนี้เราทำอะไรลงไปนี่ก็เลยพะมากราบขอคามาพระเถละบอกว่าอยากให้อยากให้บาปขออยากให้โยมได้วิบัติเลยพระเถละก็บอกว่าอาตมาไม่ได้โทษโยมหรอกโทษสังสารวัต เนี่ยคือสังสารวัตรนั่นแหละทำให้คนดีๆกันเนี่ยมันต้องมาปะทุสลายกันเบียดเบียนกันเนี่ยเนี่ยเราว่าถ้าไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเสียมันไม่มีแบบนี้หรอกก็เลยบอกถ้าอย่างงาั้นขอพระเทลรจงมารับอาหารที่บ้านผมเป็นประจำทุกวันนะครับท่านก็เลยบอกว่าอาตมาตั้งใจไว้แล้วตั้งแต่โดนขันทีศ่ศีรษะเมื่อสักครู่เนี่ยวัดนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่เข้าบ้านย้มอีกแล้ว ตั้งเจตนาไว้อย่างนั้นได้ตั้งเจตนาไว้แล้วขออย่าได้ทําลายเกจจำ侬หรือสัจจะที่อาตมาตั้งไว้เลยเห็นไหมตั้งแต่นั้นท่านก็ไม่ยอมก้าวล่วงเข้ามาในเขตบ้านของโยมอีกเลยเพราะไม่อยากให้โยมต้องบาปพระรูปนี้เป็นพระอริยะด้วยนะเป็นพระอรหันด้วยนะอุบาสกที่สวยเลยพอตายไปแล้วตกนกรกภรรยาขึ้นสวรรค์พระนิพพานเนี่ยชี้เห็นว่าไอ้คาว่าสังสารวัฏเวลาเราไปเจอคนเนี่ย ไปคบคนไปคบพระพระไปคบโยมอะไรก็แล้วแต่เถอะบางทีเราก็สําคัญผิดท่านผู้นั้นเป็นกัญญาณมิตรท่านก็อยากจะเป็นกัญญาณมิตรนั่นแหละบางทีความไม่รู้อะเหมือนเนี่ยไอ้ตรงนี้จะไปโทษใครไม่ได้ต้องโทษสังสารวัตรแล้วไปบอกโอ้แล้วเราบางทีแล้วก็ไปฟังองค์นั้นฟังองค์นี้ฟังองค์นั้นฟังองค์นี้ก็ไปทีททนี้ยอมเคยสังเกตไหม ในสมัยขัง้งพุทธกาลเนี่ยสัตวที่วิหารกของพระสาลีบุตรสัตว์ที่วิหารกของพระ อ, อ น, นุ์สัต์ที่วิหารกของพระมหากรสเนี่ยท่านย้ายไปย้ายมาไหมไม่เลยท่านรู้ว่าท่านบุนี้เป็นอาจารย์ตรวจสอบว่าเป็นกัลยาณมิตรแล้วท่านก็จะเรียนรู้จริงๆเพราะต้องการขัดเกา่าจริงๆมันไม่ใช่อย่างทุกวันนี่โผล่สเปสป่า ก, กันไปทั่วเลยจะโทษอะไรดีเนี่ยโทษสังสารวัฏเห็นไหมเขาเข้าใจคำว่ า, าสังสารวัฏไหมเออเราก็อยากจะรู้อ่ะ แล้วก็ไปเอาที่นั่นหน่อยที่นี่หน่อยที่นี่หน่อยแต่นี้มันก็ไปกันเลยแต่นี้นี่มันเป็นอย่างนี้งั้นใ ห, ให้ให้เข้าใจข้อจํากัดข้อจํากัดนั้นถ้าคนที่ชารฉลาดหน่อยมีบุญหน่อยก็หากระยาณมิตรเป็นได้กระยาณมิตรแล้วก็น้อมประพฤติปฏิบัติแล้วขัดเกลาได้จริงๆรรู้ว่าท่านบุญเนี้ยจะสามารถชี้แนะเราได้ก็ไม่โยกย้ายไปโยกย้ายมาให้มันเสียเวลา เพราะเรามีสติปัญญาไม่เพียงพอจา่การไปตรวจสอบได้แล้วหรือใครเป็นมีบุญหน่อยได้กระยาในมิตรที่ดีก็เป็นบุญไปอันนี้ไม่ว่ากันถึงจะยัก ย, ย, ย้ายไถ่เทียยังไงก็ไม่ว่ากัน น, นะโยมในที่พูดทั้งหมดเนี่ยทุกคนก็ต้องรับผิดชอบรับผิดชอบกรรมที่ตนเองทําอย่างเงี้ยมันไปไปมามอย่าแปลกใจว่าทําไมเราไปติดกรรมฐานแล้วออกไม่ได้แต่มันออกได้นะโยมให้กําลังใจนะที่พูดเธอทั้งหมดเนี่ย ฝึกให้เป็นวิธีการทั้งหลายนี่มันจะสามารถออกจากสิ่งเหล่านั้นได้เงี้เป็นต้นวันนี้เอใช้เวลาบรรยายมานานพอสมควรแล้วมั้ง ก, ก็ประมาณเท่าไหร่ชั่วโมงครึ่งอ่าชั่วโมงครึ่งแลยนะมีใครอ่ายถามอะไรมีไหมไ ม, ไม่มีแล้วนะอาโมทนากระยาโยมทั้งหลายเกิบกับพระด้วยในที่ปังกัน ขอให้ท่านทั้งหลายจงสามารถเข้าใจพระธรรมคํำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายโดยสะดวกขอให้พระราตนาฏัยคือพุทธรัตนธรรมรัตนและสังขรัตนคุ้มครองท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงสมหวังในสิ่งที่พึงประสงค์ขอให้ดําเนินกระแสชีวิตไปตามมรรคาของพระเชษนาเจ้าเข้าถึงอนุต ป, ปาทาปรินิพพานคือการพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ด้วยกันทุกท่า น, ท, ท, านทุกประการเทิด